เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาและเช่นเคยวันที่เข้ามาก่อนเพื่อนก็คือเด็กชายพีเคเปลี่ยนชื่อนะจับอยูนี่แกันค่ะยังไงพีเคดีไหมชื่อพีเคดีไหม ค่ะพระอาจารย์ใช่เป็นยังไงพีเคไปว่าอะไรแตว่าแต่่รแล้วนะไม่รูู้้รู้อะไรจักอย่างนึ้งจะรทอยได้ช่วันนี้ไปโร<ต>งเรียนมาบรืเปล่าไปค่ะพระอาจารย์อันนี้เรียนอะไรแบบ้างจะไม่ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วไปทำไมถ้าจำไม่ได้ ตอนนี้ตอบคุณพ่ออาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะกลัวพระอาจารย์ถามรีบชิงหองเลยนั่งสมาธิปาครับอ่นั่งสมาธิครับกี่นาทีหนึ่งนาทีแต่อธิบดีหนูไม่ได้นั่งเลยนะหนูแค่สวดมนต์บอกพ่ออาจารย์ดิลูกจะนั่งไหมนั่งครับนั่งกี่นาทีได้ประมาณหนึ่งสองนาทีใช่ไหมครับ อ๋อ โ, โดนโดนั่งสมาธิตอนทำโทษไงใช่ปะ่ะห้านาทีป่ะอืมโอเคพยายามนั่งทุกวันนะนะคุปฟังพระอาจารย์เป็นสมาธิครั้งนี้ไม่นั่งสมาธิ<ต>ไม่ได้นสกัดกับพาจายโอเคนั่งสมาธินะนาทีนึ้งก็ยังดีได้ไหมได้ไหมคะพระอาจารย์ได้นั่งพุงทโธพุทโธนะ น, นั่งเราต้องพุงทโธพุทโธด้วยนะอย่านั่งเฉย ถามพระอาจารย์ที่ทําไมสติมันชอบหายไปพระอาจารย์ก็ทำไมสติมันชอบหายไปอะครับเราไม่เฝ้ามันมันก็หายสิต้องคอยเฝ้ามันหน่อยต้องคอยใช้พุทโธเฝ้ามันหน่อยนะถ้าเรามีพุทโธพุทโธมันก็ไม่หายเข้าใจไหมอะไรปะเข้าใจค่ะพี okay. ่ทีน no. anyway, ี้ทีนี้จะไม่ดื้อกับคุณครูแล้วใช่ปะนะตอนนี้สติมาแล้วนะโอเคโอเคป้า กาวในวสกา ร, กการต่อครอาจารย์นอนหับฝันดีนะนันัดีนะคะรับนอัดีครับอพระอาจ า, กการย์ท้าทำเ่นนั้นถ้าทำเช่นกันคพระอาจารย์โอเคตอนนี้โดนทำโทษอยู่ค่ะพระอาจารย์คุณครูรายงานว่าไม่ฟังเลยทุกคุณครูเลยค่ะก็เลยงดงดขนมหวานงดของเล่นงดทุกอย่างเลยค่ะ อ่าดีต้องมีโทษบางจะไดหรือว่าทำทอะไรอทีวีด้วยอ๋อทีวีด้วยโอเคห้ามดูทีวีด้วยอ่าับไปจะได้ไม่กล้าทาผิดอีกค่ะพระอาจารย์ตอนนี้แบบต้องต้องทำจริงเพราะทุกคุณครูบอกหมดเลยว่าไม่ฟังเลยใช่ดีที่คุณครูเขาอุตส่าห์ลงโทษนี่แสดงว่าเขาก็มีความเมตตาค่ะพระอาจารย์หนูก็ต้อง ตอนแรกก็สงสารแต่อ ว, ว่ามันไม่ไหวค่ะก็เลยต้องใจแข็งค่ะถ้าไม่รีบสอนตอนนี้ยิ่งโต ย, งยิ่งสอนยากค่ะค่ะไม่มีคําถามค่ะโอเคกลับนมาส ก, การณ์เจ้าค่ ะ, ะน้องทิมกับคุณแม่ฝนแล้วน้องทิมนั่งสมาธิได้กี่นาทีคราวนี้นะสมาธิคราวนี้ได้กี่นาะทีนะ ดังๆหน่อยจ้าไม่ได้ยินเสียงก็ใกล้ๆสุดโคกในยที่ใกล้หมดคุณดังนิดนึงแล้วก็หนนาทีนั่งแปดนาทีครับได้แปดแล้วเหรออ่ะยังไม่ค่อยนิ่งค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์บอกให้เขาลองเพิ่มเวลาดูอะค่ะว่าลองเป็นแปดนาทีก็ก็นั่งแปดนาทีคือแปดนาทีนั่งอยู่กับที่ได้ค่ะแต่ว่ายุกยิบยุกยิบยุกยิบค่ะเดี๋ยวไปข้าวหน้าอย่ายุกยิบแปดนาที อยงนียู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าอยู่พุโทโธมันก็จะไม่ยุกยิกอะนะ ม, มีอะไรจะถามไหมวันนี้ไม่มีค่ะ ไม่มีคำถามค่ะอนี้ส่วนของหนูก็ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์ก็ที่ผ่านมาค่อนข้างจะได้กลับมาปฏิบัติในในในแทร็กอย่างที่เคยทำมาค่ะพระอาจารย์ก็ก็ก็ค่อนข้างจะโอเคค่ะพระอาจารย์เวลานั่งอะไรแบบเนี้ค่ะก็แล้วได้กลับมาปฏิบัติในเหมือนที่เคยทำมาตลอดะคะพระอาจารย์ค่อนข้างจะแฮ ppy อะค่ะมันจะได้ก้าวหน้าถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ถอยลง ขอจากรรมมาจุจุดเดิมมันต้องใช้เวลาพอสมควร่ะค่ะก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่มีทางทิ้งเลยค่ะเพีงเยงแต่ว่ามันบางทีแบบมันอาจจะไม่ได้ทําต่อเนื่องทุกวันเลยแบบเนี้ค่ะเราช่วงที่ได้กลับมาทําต่อเนื่องก็รู้สึกว่าดีดีขึ้นนะคะพระอาจารย์ในหลายๆอย่างถ้าจยายถ้าอยากจะคืบหน้าเราทำอย่างต่อเนื่องค่ะค่โอเคค่ ะ, <Okay. S 2> คะขอบพระคุณพระอาจารย์ยค่ะ ไปที่จำแม่จแจ๊จี้ที่ตอนนี้กี่นาทีนะบังคับตัวเองนั่งกี่นาทีกลางว่างสักการพระอาจารย์ครับตอนนี้นั่งสามสิบห้านาทีครับสามิห้านะโอเคแล้วนิ่งไหมก็นิ่งอยู่ครับก็พูดโธไปครับโอเควันนี้มีอะไรจะมารายงานหรือเปล่าก็ส่งกันบ้านครับว่ามาเรามีความแก่เป็นธรรมดา จะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้เองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพรัดพากจากของรักของเดินใจหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพึ่อาศัย เราทำกรรมใดไว้เป็นวุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทา ย, ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเราทั้งหลายคุณพิจารณาอย่างนี้ทุกวันถุกวันเอือิอนะให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะเป็นของจริงกฎแห่งกรรมนี้มันจะแสดงผลตอนที่เราตายไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ตอนที่เรายัางอยู่นี่มันยังไม่ค่อยปรากฏผลเท่าไหร่นอกจากความรู้สึกในใจ อย่าประมาณอย่าไปคิดว่าทำทาบาปนะมันจะไม่มีผลตามมาบางคนอาจจะไม่ถูกจับไม่ติดคุกติดตารางแต่เดี๋ยวพอตายไปในกฎแห่งกรรมนี้จะไปขังคุกแน่นอนแล้วจำไว้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนต้องปฏิบัติจิตใจให้สงบให้ยอมรับความจรงิง เวลาร่างกายแก่เจ็บตายเราจะได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนะครับโอเคร่างกายของเรานี่สวยไม่สวยไม่สวยครับเพราะอะไรเพรการสามสิบสองัตนมีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนักเนืเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกม้ามหัวใจตับตังตื้ มีปอดไส้ใหญ่ใส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่ในสมองสีสัปน้ำดีน้ำเสล็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดนับไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลว น้ำตาน้ำมันค้นน้ำเงาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเส็งน้ำดีเยื่อในสมองศีสษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไต้ขวเหิดตับหัวใจม้ามเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนหกบ เอพยายามนึกถึงภาพของอาการทาาที่สองบ่อยๆนะเป็วลามองเห็นร่างกายของใครก็ต้องเป็นตาซุประมาณเนาะต้องมองทะลุเข้าไปครับอืมจะได้ไม่หลงจะได้ไม่ไปรักใครจะได้ไม่ต้องไปมีครอบครัวอมีครอบครัวก็ทุกเนี่ยใช่ไเนี่ยพอแม่ทุกขกับเราไหมต้องมาเี้ยงดูเราเนี่ยทูกครับ แต่เราจะไปทุกเหมือนพ่อแม่นะถ้าจะมาบทพาพเหมือนนุตาดีกว่านะดีไหมก็ดีอยู่ครับอ่าเข้ามาห้องนี้บ่อยๆเดี๋ยวจะอยากจะบทนะบอกให้รู้กันครับโอเคไม่ีอะไรไหมไม่มีและครับอ่ไม่มีก็อาทนี้ก่อนนะครับกลับเราก็คุณฟ้าจา์ครับอ่าคุณมาเลย กายจะบวชได้ยังกลาวหลวงพอ่อค่อะอยากอยากไปอยู่ค่ะหลวงพออ่อที่<ม>ที่หนูค่ะไม่มีอะไรดีเท่าการบวชนะไม่ไม่มีแล้วค่ะหลวงพ่ออส่วนใหญ่ของชีวิตแล้วค่ะหลวงพ่อมันมีความสุขในในโลกโลกมันมันก็สุขไม่จริงค่ะหลวงพ่อมันมสุขปลามมันเรียกสุขบ้า ่สุขหรอใช่ค่ะความจีิเป็นความทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์กันเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ทุกข์กันเรื่องนี้สุขเดี๋ยวเดียวสุขมันคือจริงๆมันก็คือแค่ว่าทุกข์มันหายไปชั่วคราวแล้วมันก็กลับไปเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ว่าสุขจริงๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็เวียนวนมันไม่จบอะค่ะหลวงพ่อวนค่ะแล้ว เมื่อวันวันจันทร์มีครูบาไปกราบหลวงพ่อที่วัดนะคะครูบาชัยวัดเนี่ยค่ะที่หนูไปที่หนูเคยเรียนหนวงพ่อว่าหนูไปถาวหา mm hmm. วัดที่ว่าหนูจะไปอยู่อ่ะพอดีท่านเพิ่งจะมาสร้างได้สักปีปีกว่าๆอะไรเงี้ย mm hmm. หนูไปดูว่าว่าหนูพอที่จะไปอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วท่านก็จะพูดถึงหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเทศใจดีแบบไม่ดุไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่ท่านอ่ะ เวลาท่านเทศท่านจะแบบว่าเสียงดังโวยวายแบบหมายหมายถึงว่าใช้คำพูดแบบมึงโกอะไรอย่างเงี้ยแบบคนรุ่นใหม่เขาก็จะชอบแบบโหดโหดแบบอย่างเงี้ยค่ะหลงพ่อแต่ว่าหนูก็มาดูแล้ววิธีการหาที่สอนอย่างเงี้ยค่ะหนูจะมาดูว่ามีใครที่แบบมาแนวหลวงพ่อเนี้ยหนูจะไปหาวัดที่ว่าหนูหนูถ้าหนูไม่มีพาระแล้วเนหนูจะไป ก็เลยไปดูที่เนี่ไว้อ่ะค่ะหลวงพ่ออยู่สระบุรีค่ะแล้วเป็นยังไงชอบไหมก็ชอบชอบอยู่ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าคือที่วัดนะ่ะเขายังที่พักเขายังไม่พอะค่ะหลวงพ่อเพราะว่าเหมือนเหมือนถ้าใครจะไปอยู่เนี้ยเหมือนบางคนเขาก็ไปสร้างเองอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อืมมันมันยังไม่ไม่ค่อยพร้อมแต่ท่านก็รับ รับบริจาค ก, ก็มีคนมาบริจาคเรื่อยๆอะค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วทีเนี้ยเขาเขาก็จะเน้นช่วงช่วงสร้างวัดใหม่ๆอะมันทุกคนต้องช่วยกันทำงานในวัดนะคะหลวงพ่ อ, อ ม, มันก็ลก็ประมาณเนี้ยค่ะหนูก็ไปดูๆมาก็เห็นเห็นว่าแนวทางสอนอะคล้ายๆกับหลวงพ่อก็คืออยู่พิจนากายทำสมาธิแบบให้เห็นความจริงยอมรับความจริงอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ หนูก็เลยไปลองดูคิดว่ามีที่เนี่ยหนึ่งที่ที่หนูที่หนูสนใจแล้วก็อีกที่หนึ่งที่อาทิตย์ก่อนที่มีมีพี่คนหนึ่งที่มากราบลาหลวงพ่อค่ะที่เขาจะไปบวชที่วัดพระอาจารย์สงขาค่ะอืมอันเนี้ยแต่คนเยอะนะวันพวกนี้มีคนไปกันเยอะหนูหนูลองไปแล้วเยอะมากค่ะหนู หนูว่าหนูเคยถามแม่ทีแล้วแม่ชีบทท่านแทบไม่ได้ภาวนาหนูก็เลยสองจิตสองใจหนูก็เลยไปดูที่วัดวัดป่าอันเนี้ยค่ะแต่ว่าคนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะคะหลวงพ่ออืมค่ะที่ไหนคนเยอะนะจะมันนจะเรื่องมากใช่ใช่ค่ะคนคนเยอะแล้วบางวันครูบาท่านก็เหมือนแบบท่านก็มีเหนื่อยเหนื่อยอะคะ่ะหลวงพ่อท่านบอกว่าบอก บอกให้ปฏิบัติแบบนี้ก็ไม่ทำบางคนก็มามาบวชแล้วอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็ไม่อยู่แบบไม่สู้ไม่ถอยอะไรอย่างเงี้ยท่านท่านก็บอกเหมือนแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อแต่ท่านก็พยายามอยู่ค่ะหนูก็เลยดีใจเห็นไปกล่าวหลวงพ่อหนูดีใจมากมาเลยค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็ปฏิบัติไปหนูไปเห็นที่นามีใครเขาโพสในเฟซบุ๊กเหรอในเฟซบุ๊กค่ะหลวงพ่อหนูเห็นนูก็ หนูดีใจมากเลยว่ามีคนมาแนวแนวหลวงพ่อด้วยหนูกลัวว่าจะสอนแบบเอ๊ผิดทางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะว่าเพราะว่าท่านไม่เน้นนั่งสมาธิใช่ไหมคะ mm hmm. แต่แต่ท่า น, น่ะได้สมาธิมาแล้วที่หนูเคยถามหลวงพ่อไปตอนของคุณหมอวีอะค่ะเนี่ยมีคนเขาไปไปที่นี่แต่เขาไม่นั่งสมาธิเขาก็พิจารณาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันหนูว่ามันก็ไม่ไม่น่าจะจะได้ แต่ว่าครูบาท่านอะฝึกสมาธิมาแล้วท่านได้แล้วอะค่ะหลวงพอ่อแต่ท่านก็จะบอกว่าถ้าใครทำอะไรไม่ได้ก็หันให้กลับมาอยู่มาดูลมให้มาอยู่มีสติอยู่กับกายอะไรเงี้ยแต่แต่บางคนก็เข้าใจไปอีกแบบห น, นึ่งเนี้ยค่ะหลวงพอ่อมันมันก็มีแบบผิดทางมันก็มีอะค่ะหลวงพอ่อหนูหนูก็เลยเนี่ยเลงเลงเอาไว้ค่ะหลวงพอ่อ แต่ว่าตอนนี้หนูก็ปฏิบัติเองที่ที่กรูติส่วนตัวหนูอะ่ะดีค่ะหลวงพ่อแล้วเวลาหลวงพ่อสอนวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเนี้ยหนูว่าแบบวิธีเนี้ยดีค่ะหลวงพ่อหมายถึงว่าหลวงพ่อสอนครึ่งชั่วโมงแล้วก็ให้ปฏิบัติด้วยอะ่ะมีมีคนมาปฏิบัติตามเยอะค่ะหลวงพ่อถึงถึงไม่ได้ไปที่วัดแต่ว่าฟังอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. และ้วแล้วพี่ที่ทํางานพี่หนึ่งอะคะ่ะที่ไปกราบหลวงพ่อ mm hmm. อุ้ยเขาก็มา มาตลอดเช้าไม่ได้เขาก็กลางวันอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือเห็นเห็นเขาเปลี่ยนแปลงแบบทําทําเยอะขึ้นค่ะหลวงพ่อพ่อเราเป็นตัวอย่างมากหนูก็ไม่เชิงค่ะหลวงพ่อเพราะว่าหนูพอขึ้นแล้วหนูก็ไม่ได้เห็นใครอ่ะเพราะเห็นแค่เว็บแวบอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็พอหนูไปก่อนหนูก็จะไม่ไม่ได้มองแล้วว่าใครมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่ออืหนูดีใจหนูขอบคุณหนวงพ่อมากมาเลยมีหลายคนที่ แล้วก็ยังแนะนำให้ไปหาที่วิเวกกันดีกว่าที่ไหนคนเยอะๆะม่นช่ค่ะหลวงพ่อห น, ออหนูหนูมองว่าต่อไปถ้าถ้าที่สระ บ, บุรีคนเยอะหนูว่ามันก็ไม่เหมาะอีกแล้วค่ะหลวงพอ่อตอนแรกที่หนูไปช่วงนั้นนะ่ะคนยังน้อยอยู่แต่ตอนนี้คนคนเป็นร้อยแล้วค่ะหลวงพอ่อหนูก็เลยตอนนี้หนูก็เลยยังไม่ได้กลับเข้าไปอีกค่ะหลวงพอ่อเพราะว่ามันเยอะมาก สมัยที่เราไปอยู่กันหลวงตาใหม่ๆนี่พักแค่สิบห้าลูกนะฮะถ้านับแค่นั้นค่ะถ้าถ้าอยู่แบบจํากัดคนแล้วแล้วแบบว่าคนไม่คุกผ้านะเนี้ยหนูว่ามันจะได้ได้ไประโยชน์มากค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วแล้วมีอีกที่หนึ่งค่ะที่วัดบางบ่อค่ะสมุทรปราการนะคะหลวงพ่อที่หนูเคยเคยไปอ่ะค่ะเออสุขใจวัดสุขใจ ใช่ค่ะพอดีมีข่าวออกมาไ ม, ไ ม, ไม่ค่อยหนูหนูก็เลยเห็นท่านเงียบเงียบไปหนูก็เลยไม่ได้เข้าไปอีกอ่ะค่ะหลวงพ่อข่าวไม่สงบเลยอะไรข่าวแบบว่าที่ว่าชักชวนคนไปลงทุนแล้วคนเขาฟอ้องร้องอะไรกันเนี่ยค่ะที่<อ>แล้วแต่ว่าเรื่องก็เงียบไปแล้วอะค่ะหลวงพ่อแล้วผ่านมาไม่กี่วันท่านท่านก็มาไลฟ์สด เทศได้แค่วันเดียวที่หนูเห็นแล้วก็ไม่เห็นมาอีกเลยค่ะหลวงพ่อ mm hmm. คือที่ mm hmm. ที่วัดบางบ่อเนี่ยหนูว่าสถานที่เขาโอเคมากเลยค่ะหลวงพ่อ mm hmm. เพราะว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกแล้วก็ปฏิบัติจริงๆอันนี้หนูชอบชอบมากแต่ว่าแต่ว่ามี ม, ม, มีมีประเด็นแบบนี้แล้วหนูไปถามแม่ชีคุณแม่ชีที่ที่ท่านอยู่ที่ท่านท่านบอกว่าให้ให้หนูไปที่อื่น แต่ท่านไม่ได้พูดอะไรเยอะอะค่ะท่านบอกให้หนูไปที่อื่นหนูก็เลยไม่ได้ไม่ได้เข้าไปอีกค่ะเรื่องลงทุนนี่ทางวัดเป็นอยของจัดชวนให้ไปลงทุนนะข่าวข่าวว่าประมาณแบบนั้นนะคะออ่ะหลวงพ่อแล้วแล้วก็มีไปสร้างสาขาต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็มีจริงๆค่ะหลวงพ่อแต่แต่หนูไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงอ่ะค่ะหลวงพ่อือม แต่ว่ามันมันมีเรื่องเขาเรียกอะไรมีมีจับคนด้วยมีดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าว่าใครอะไรยังไงคุณหนูเสียดายสถานที่เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยางไงอย่างเนี่ยเมื่อเมื่อประมาณต้นต้นปลายปลายปเดือนต้นเดือนเนี้ยเองอะค่ะปลายเมษาต้นพฤษภาเนี้เองอะค่ะงพแต่ว่าก็เงียบอยู่ ตอนนี้ไม่ไม่มีอะไรฟังนะก็ฟังูไว้ยโห้ยไม่กันแล้วกัววววววววนุ่มค่ ะ, ะหนูชอบสถานที่มากปฏิบัติได้ดีค่ะหลวงพ่ อ, อ, อค่ะวันนี้หนูก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะหลวงพ่อหนูยังปฏิบัติอยู่ค่ะหลวงพ่อยังดีดีขึ้นเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อเพราเงินการปฏิบัติของเราเรื่องของคนเดินเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะใช่ค่ะพ่อไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายให้ใจกลางๆใช่ไหมคะหลวงพ่อ ให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปค่ไม่ต้องไปตัดสินผิดถูกดีชั่วค่ะหลวงพ่ออืก็ฟังไว้เฉยๆค่ะหลวงพ่อฟังหูไว้หูให้รู้ทันมจะได้ไม่หลงจะไม่ถูกหลอกค่ะหลวงพ่อมุ่งหน้าอย่างเดียวปฏิบัติค่ะหลวงพ่อสวรรค์นิพพานอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเอค่ะหลวงพ่อโอเคขอบพระคุณมากค่ะหลวงพ่อ อ่าคุณตายเป็นยังไงตอนนี้ทำงานหนักเหรอน้ อ, องเก่าในราชการค่ะพระอาจารย์ก็ทำงานก็หนักจะว่าหนักก็หนักค่ะแต่ว่าก็ต้องพยายามทำให้มันดีขึ้นนะคะพระอาจารย์จะได้จะได้ปูทางให้ลูกได้ดี่ะอย่างน้อยมีเวลามาฟังธรรมมาอย่างเตยว่าโอเคว่ใช่ค่ะปกติลูกก็ เลิกสองทุ่มสามทุ่มก็จะกลับอะคะ่ะวันนี้วันพูดจะทุกวันพูดจะต้องเลิกงานแล้วก็กลับเลยจะได้ทันถ้าไม่งั้นก็ดึกอ่ะคะ่ะพระอาจารย์อืมอย่าทิ้งการฟังธรรมแล้วอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งละครั้งสองครั้งก็ย่างดีค่ะไม่ทิ้งคะ่ะอืมก็พยายามถ้าใครมาเปลี่ยนในช่วงเวลาที่พระอาจารย์เทศยมก็จะไปวดะะัดอะค่ะอืมค่ะก็จะพยายามทําให้มันมากขึ้นแล้วก็ รู้สึกว่าเวลาไปแล้วเวลากลับมาทํางานรู้สึกว่ามันมันมีพลังอะค่ะพระอาจารย์ไม่รู้เป็นอะไรนะค ะ, ะจากที่เราแบบทํางานเยอะๆแล้วก็หงุดหงิดหรือว่าอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจเงี่ยเราก็มันเหมือนอะสะสมพลังงานลบอะค่ะถ้ามาหาพระอาจารย์มันรู้สึกว่าได้พลังงานบวกไปแบบมันดีขึ้นใจเราก็ดีขึ้นแล้วก็ความเครียดเราก็หายอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยมุ่งมุ่งไปฟังพระอาจารย์ดีกว่า อย่างน้อยก็ได้สติมาเตือนตัวเองว่าอย่าไปหลงอย่าไปยึดอย่าไปทำอะไรที่มันแบบไม่ดีไม่ดีอะค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะเข้ามาฟังธรรมค่ะพระอาจารย์สาธุดาสาธิษฐานคุณยายกับคุณหลานรัศกาลยังเพื่อนยังสันโดษอยู่นะกลับมาแล้วครับไปไหนมา พอดีว่าช่วงนี้ยุ่งมากเลยครอาจารย์ที่โรงเรียนเพราะนั้นกลับมาจะกลับช้ามากกลับกลับดึกเกับทุกวันเลยก็เลยไม่มีโอกาสพาคุณยายเข้าซูงชงอาทิปันนะอาจารย์คิอว่าเลิกเข้ามาแล้วเลอพอแล้วอะไรนะครับอาจารย์คิอว่าเลิกเข้าแล้วห้องนี้ยยังครับอาจารย์ยังคิดถึงอาจารย์อยู่ครับยังคิดถึงอยู่ค่ะคุณยายคุณยายยังแข็งแรงอยู่นะ อ่าก็ยังระลึกถึงท่านอยู่เสมอนะคะอี่เพราะว่าห้องนี้เวลาเข้ามาแล้วมันอา จ, จะมีฟังฟังเรื่องแก่เจ็บตายบ่อยๆเดี๋ยวอาจจะทําให้ปัญญายไม่สบายใจหรือเปล่าก็ไม่ที่แ ะ, ะ่ไรกันก็ถึงเวลาก็ให้เป็นใจต่างนั้นนะคะอ่าก็อย่ามีการอย่ามีความคิดถึงนั้นนะก็ถ้ามันไม่ได้แล้วร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายเนี่ย <t ries> อนัตตารู ป, ปังอนัตตารู ป, ปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ดน้ำมวตา น, นี้ก็เรียนหนังส Calvin ือ <ton> อยู่นะคะเป็นนี่อยู่ <t> ชั้นไหนนะ กำลังจะถ้าเทียบกําลังจะขึ้นหมอห้าครับอาจาตอนนี้กําลังเปียดเทอมอยู่ใช่ไหมปิดเทอมอยู่ฮะก็ก็จะยุ่งมากเลยเพราะต้องเตรียมพอตเตรียมอะไรแล้วเดี๋ยวปีหน้าเข้าดีโปรมาโปรแกรมครับผมก็เรียนระบบอังกฤษเรื่อเรี่องแบบสุดไอบีครับอาจารย์ไม่ไม่เป็นเป็นเป็นอังกฤษเรื่องเป็นอะไรกันเขาคิดค้นโดยชาวสวิตเซอร์แลนด์ครับอาจารย์ไม่ได้อยู่ในระบบอังกฤษไม่ไม่ได้อยู่ในระบบอังกฤษครับอาจารย์อืม แล้วก็ดูจากดูจากรุ่นพี่ที่ผ่านมาเกือบทุกรุ่นจะเห็นว่าเดอร์เทอมที่กำลังจะมาถึงนี้น่าจะยุ่งพอตัวเพราะรุ่นพี่ทุกคนถ้บไม่มีใครว่างแต่ก็เหลืออีกสองปีถึงจะจบใช่ไหมหกใช่ไห ม, มก็พยายามต่อสู้ไปเรียนไปนะครับอลจาย้าจบแล้วเดี๋ยวค่อยชิดนใหม่ว่าจะไปทางไหนดี จะมาจะเรียนคุณยายอยากให้เป็นแพทย์ก็ได้เลยได้ก็จะได้ไปเป็นหมอนะค่ะดีเป็นหมอก็นะ้ที่วันนี้ก็มีหมอมาบวนเยอะเหมือนกันยายก็บอกเขาแล้วะพออายุมากๆก็ถึงเวลาก็ไหว้ไหว้สวดมนต์ท่านเลยที่วันนี้ตอนนี้มีหมออยู่สามคนมาบ่น เดี๋ยวรอคนที่สี <laughs> <ต>่ไปรอาจารย์ยิ่งเป็นหมอยิ่งเห็นสัตว์จะทำความเจ็เยอะนะเห็นแก่เจ็บตายเห็นเกิดแก่เจ็บตายตลอดเวลาเนะลยโรงพยาบาลนี่มีทั้งคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายอ๋อใช่ครับพระอาจารย์จะเรียนพระอาจารย์ว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ไม่ได้เข้าสูม่มฮะไปดูงานไปด็อกเตอร์ชโดฮะตามโรงพยาบาล แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปในห้องผ่าตัดนะครับผมแล้วก็ไปดูคุณหมอผ่าตัดแล้วเขาผ่าเขาตอนแรกเขาผ่าแบบผ่าแบบสองกล้องก็ไม่ค่อยน่า ก, กลัวเท่าไหร่ปรากฏว่าตอนหลังเขาผ่าตัดเอ่อฮิปเปอร์เพนะอาจารย์แล้วเขาผ่าเปิดผมตกใจผมเห็นในหนังสือกยายคตาสติผมไม่นึกว่าของจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมนึกว่าต้องเป็นแค่ศพนะอาจารย์ปรากฏว่า ปรากฏว่าขอบเอ่อร่างกายมนุษย์ที่ยังไม่ตายกลายเป็นศพก็มีสภาพเหมือนในหนังสือกายคตาสติเป๊ะเลยครับรอาจารย์อ่าถ้าศมมันมาจากไหนเนี่ยมันมก็มาจากคนเป็นไม่ใโอ้เห็นถึงกระดูกฉันนายเห็นเนื้อเห็นไะไรกลับมาบอกคุณพ่อบอกผมทานหมูสามชั้นไม่ได้งานไม่ลงแล้วอาจารย์ดีกินเกัาม า, มากแนละ้วพอ แต่ยังยังอ้วนอยู่ค่ะยังยังต่อสู้กับความอยากเรื่องอาหารเงี้ยฮะแต่ว่าเรื่องหมูสามชั้นตัดไปได้เลยพอเห็นสภาพแล้วกินไม่ลงตรงแล้วก็จะแล้วพวกตับไตชอบไหมเครื่องในไม่ไม่ได้ทานเครื่องในอ่ะไม่ทานโอเคคุณยายมีอะไรไหมก็กงไม่มีอะไรนะคะตัด ตามท่านนะคะได้มาตัดบาปแคนั้นเลยดีดีใจที่ยังได้เห็นหน้าอยู่ยังเลืลึกถึงท่านอยู่เสมอค่ะทีนี้ยายไปไหนไม่ได้ยายก็อยู่แต่บ้านอย่างดีก็อยู่อย่างสงบนะมีพระธรรมคุ้มครองใจเราอยู่ไปนานให้แก่ช้าๆให้ไม่เจ็บช้าๆให้ตายช้าๆอย่าเพิ่งเข้าอาหาเรา นโมมีอะไรไหมไม่มีแลครับอาจารย์ยังยังปฏิบัติอยู่ ค, ครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรแปล ก, กๆที่เจอเวลาปฏิบัติมาเรียนใชอไหมใช่โอเคนะคร okay. ะับทวดอ่าอย่างเรริ่มถึงท่านอีกต่างอย่าท่านต่อไปคุณทอปใช่ไคุณท็อปครับผมเอนอนอกราบในนักการพระอาจารย์ครับอ่ามีอะไรมครับครับผมครับ ถ้าผมทานยาเกี่ยวกับการควบคุมสารในสมองนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อต่อการปฏิปฏิธรรมได้ไหมครับลอสังเกตยูสิว่ามันกราตันได้ยินไหมครับได้ยินแต่แต่ก็หัดขาดหายหายได้ยินหรือยัง ครับได้ยินครับให้ให้สังเกตตัวเองดูใช่ไหมสังเกตดูสิว่ามันมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าอันนี้มันจะให้ให้ตอบมันก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยกินยาแบบนี้มา ก, ก่อ น, อนครับแล้วผมผมก็ยังไม่ได้ทนันยาต่อถามอาจารย์ดูก่อ น, อ น, นแต่ว่าถ้าถ้าสมมติเอ่อถ้าสมมุ ต, มมติมันอาจจะมีจะคงกลัวมีเอ่อมีเอ่อ ภาวาแทรกซอนหรือ ว, ว่ามีอาการข้างเคียงจากการทานย า, ยางี้ถ้าผมถ้าผมเลือกเลือกไปทานยาแล้วก็ผมปฏิบัติทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตดูแล้แลวก็ไม่ทานยาพอได้ไหมครับอาจารย์ได้ร่างกายอาจจะตายเร็วขึนะ้นถ้าเราไม่สนใจเรื่องร่างกายก็ไม่ไปกินมนะันมันจะมันจะตายมันจะเป็นจะตายเมืเ่อไหร่ก็ปล่อ <c oughs> นไป อครับครับผมมันเนบไม่ค่อยดีมันมันขึ้นมันกระคาในห้ okay. องโอเคงานท่านนี้ก่อนนะครับผมครับโอเคไปที่ท่านตอไปคุณสรินทอน <S 2> <S 2> <ม>ได้ยินหรือเปล่สาสเินทอนเดี๋ยวมันจะยินข้ามไปก่อนเนะไปที่คุณสาธาการกรธานธ า, ากาทใช้นะกามาฟังคำทีอวจากปฏิบัติใช่ปฏิบัติปฏิบัติอะไรอะ การทานศีลภาวนาค่ะไม่ใช่ปฏิบัติรับใช้แฟนเนะ่ยไหไม่ไม่โลกระเหมือนตัวที่เกียรติครับอาจารย์ไม่มีอะไรทําอยู่แต่ข้างในนะคะค่ะเขาก็อยู่ข้างนอกโอเคต่างคนต่างอยู่กันนะค่ะปฏิบัติโอเคสาธุคุณแอน มีแฟนนีอยังเนี่ยยังเคยไม่เคยถามนาแกนญมัส์แข็งนะคระอาจารย์มีแฟนแล้วค่ะคบกันมาสิบสามปีแล้วค่ะยังไม่อยู่ด้วยกันเดยังไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะลูกอยู่อุดรเขาอยู่นครพนมค่ะอ๋อค่ะทำไมคบคนต้องงานยังไม่ยอมร่วมหัวกันทันทีไม่อยากแต่งงานค่ะเป็นเป็นผู้หญิงด้วยค่ะเป็นผู้หญิงด้วยที่พาไปใส่บาตรกับพระอาจารย์เจ้ะค่ะอันนีะ ข, ขอให้มีความรักกันก็แล้ว ก, กันจะมีเป็นหญิงก็ได้ชายก็ได้ค่ะมีแต่ความเมตตาให้กันค่ะพาเขาทำบุญค่ะแล้วก็ปฏิบัติเจริญสติตลอดเวลาเจ้าค่ะพระอาจารย์อเคไม่มีคำถามเลยไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคงั้นกลับไปที่คุณสลินทอนต่อ นมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะชัดเจนชัดเจนเลยหนูขอโทษค่ะพอดีเมื่อกี้เจ้านายโทรมาหนูก็เลยต้องปิดเสียงทางทางพระอาจารย์นะคะเลยไม่ได้ยินไม่เป็นไรไม่เก็ข้ามาข้ามา่อข้าพระอาจารย์นมัส ก, การนะคะหนูก็สบายดีค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาหายไปสองอาทิตย์ก็กลับมากราบพระอาจารย์ค่ะก่อนที่จะเดี๋ยวจะไปปฏิบัติธรรมอีกบ่ายนี้นี่แหละคะ่ะที่ที่ ท, ที่ที่เคย ใช่ครับอาจารย์เกิดปัญหาแล้วเรอหนจะกลับไปลองดูหนูจะลองดูว่าหนูจะได้หรือเปล่าค่ะก็เหมือนเหมือนหลังๆหนูก็ยังเวลาที่มีความฝันเหมือนกับเราก็ยังเห็นว่าตัวเองมีสมมุติว่าเรามีความโกรธหรือว่ามีเอ่อกิเลสอยู่ในความฝันเราก็เห็นตัวเองว่ามีความฝันแต่คราว น, นี้หนูจะกลับไปดูว่ามันไอความฝันที่ว่าเนี่ยมันจะกลายเป็นจิตปรุงแต่งในสมาธิมากน้อยแค่ไหนแล้วหนูจะใช้สติในการดึงกลับมาได้ได้แค่ไหนอะค่ะอืม ลองดูค่ะพระย่ะคราที่แล้วที่เป็นปัญหามันเป็นเป็นอะไรเยอ๋อคือเค้าที่แล้วหนูไม่มีสติเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนูใช้พุทโธตลอดแล้วก็พอไปถึงเนี่ยเขาบอกให้ดูลมหายใจดูอยู่สามวันสามวันดูลมหายใจแล้วคราวนี้มันเหมืนมันเหมือนว่ามันไม่มีสติเพราะว่าหนูพยายามเปลี่ยนจากพุทโธมาเป็นลมหายใจแล้วด้วยความที่ตัวเองไม่เคยชินกับการดูลมหายใจมาก่อนเวลาดูทีไรมันก็จะกลับไปพุทโธพุทโธแต่เหมือนฝืนนะคะ ฝืนตัวเองว่าไม่ได้เพราะาที่นี่เขาสอนให้ใช้ลมหายใจมันก็เลยกลายเป็นว่าพุทโธก็หายลมก็ดูไม่ได้แล้วพอเวลานั่งสมาธิมันก็เลยเกิดจิตปรุงอาจารย์ปรุปงซ่งานแล้วมันก็กลายเป็นว่าไปเห็นนู่นเห็นนี่อะไรที่มันไม่มันไม่มีสติอะค่ะพระอาจารย์แล้วจิตก็หลงไปดู น, นู่นดู น, น, ดนี่ว่าเราออกไปเห็นอะไรตะไร อ, อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็แต่มีวันหลังๆที่สามารถดึงสติกลับมาแล้ว เหมือนมันเริ่มดูลมเป็นแต่มันเป็นวันหลังๆแล้วอะค่ะพอเริ่มเริ่มดูลมปุ๊บไอสิ่งที่มันฟุ้งซ่านออกไปเห็นต่างๆมันก็กลับมาอยู่ที่ตัวแล้วก็ถึงได้เห็นความสําคัญของลมหายใจวินาทีนั้นเนี่ยมันเห็นความสําคัญเลยว่าคนเป็นกับคนตายต่างกันแค่แค่ลมหายใจนี้แหละถ้าดึงลมหายใจกลับมาเป็นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่กับตัวได้มันมันเห็นคุณค่าของลมหายใจนะตอนที่เราเหมือนเราหลงแล้ว ขณะที่ออกไปนี่มันไม่รู้ตัวเลยอะค่ะพอาจารย์มันคุมอะไรไม่ได้เลยค่ะต้อให้ดูทั้งทั้งวันเลยหรือว่าโดูเฉพาะตอนที่นั่งอย่างเดียวเออจริ ง, รงๆก็ดูเฉพาะที่นั่งนะคะแต่ว่าบังเอิญว่านั่งทั้งวั น, น่ะค่ะอาจารย์ไม่เลยไ ม, ไ ม, ไม่เวลาทําอะไรอย่างอืง่นก็ดูลมไปด้วยหรอเปล่าเวลาเวลาทำอย่างอือ่นหนูหนูดูกายค่ะเวลาเดินหนูก็ดูกาย็ดูกายแต่ว่า ด, ดูลมเฉพาะเวลานั่งนั่งสมาธิ ใช่ค่ะพระอาจารย์แต่เขาจะให้ดูลมอยู่ประมาณสามวันแรกอะคะ่ะดูลมแล้วพอเริ่มวันที่สี่ก็จะให้เริ่มดูดูไล่สแกนลงมาะคะ่ะแต่เหมือนตอนหนูไม่เหมือนเหมือนเหมือนสมาธิมันยังไม่เกิดอะคะ่ะมันเลยเพราะว่าด้วยความที่จิตมันปรุงแต่งมากเกินไปแล้วมันดูลมไม่เป็นมันก็เลยทาพอเวลาเริ่มไปดูเขาให้เริ่มไปดูไล่สแกนมันเกิดเออเขาเรียกว่าอะไรอะคะฟินนอมนอน่ะค่ะพระอาจารย์เกิด เห็นอะไรต่อเมื่ออะไรร่างกายมีกี่ชั้นกี่ชั้นมันมันมันคือจิตปรุงแต่งที่ที่เหมือนจิตมันมันไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอออกไปจิตออกไปมองเห็นอะไรมันเต็มไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์มันมันเชื่อถือไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยมันมีรายละเอียดลึกมากอย่างเงี้ยค่ะเห็นชัดเจนเหมือนเหมือนเวลาธรรมดาปกติแต่มันแต่มันไม่ถูกต้องอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยคราวนี้ก็เลยว่าจะลอง กลับไปเพราะว่าตั้งแต่กลับมาเดือนธันวาถึงถึงปัจจุบันเนี้ยหนูก็เริ่มฝึกลมหายใจด้วยควบคู่ไปกับพุทโธเนี่ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าคราวนี้กลับไปจิตไม่น่าจะฟุง้งซ่านหรือหรือว่าไม่น่าจะกังวลเหมือนคราวที่แล้วอะคะ่ะลองค่ายปฏิบัติกี่วันเอ่อคราวที่แล้วสิบวันคะ่ะแต่ว่าคราวนี้หนูไปหนูไปสี่วันสามคืนนะคะกับวัน mm hmm. อาทิตย์อืม mm hmm. Okay, ค่ะโอเคก็ลองดูค่ะลองดูค่ะแล้วก็หนูก็จะพยายามอยู่กับตัวอยู่กับลมดึงมันกลับมาแล้วก็จะไม่จะไม่ฟังเ <laughs> ขาเท่าไหร่ค่ะว่าจะถ้ามันไม่แข็งจริงหนูก็จะพูดโถะค่ะพระอาจารย์กลัวม <laughs> <Okay. Okay. S 1> <laughs> ันหลุดออกไปโอเคค่ะได้ <Long S 2> ลองดูลองดูลองดู ค่ะสู้ๆค่ะเราเดี๋ยวยังไงถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวกลับไปเดือนหน้าไปขึ้นเขาอีกรอบนึงค่ะโอเคได้ขอบคุณนะคะพระอาจารย์อ <Yeah, S 1> ่าเดี๋ยวไปที่น้องตะวันก่อนเมื่อกี้มองไม่เห็นน้องตะวันน้องตะวันคุณแม่ไม่อยู่เลยพระมาสการพระอาจารย์ครับเอคุณแม่ไปช่วยของครับแล้วเอลืมเวลาผมคิดลืมเวลาไม่ว่าจะมีมิ팅วันนี้เลยเออผมคิดว่าเออคุณแม่รู้ แต่เา้าไม่รู้ว่าพูดอะไรวันเอไม่บ่นเวลาคง <c oughs> คิดไม่เป็นไรน้องตะวันมีอะไรจะถามหรือเปล่าโอ้วันนี้คงไม่มีคําถามครับอมาฟังเฉยๆเลยใช่ค่ะฟังรู้เรื่องไหมตั้งแต่พูดมานี้เอ่อนิดหน่งยนิดหน่อยนะโอเคถ้าไม่มีอะไรเอาทันทีก่อนนะน้องตะวัน โอเคครับโอเคบ๊ายบายดีอ่ากลับไปที่ใครตออ่าคุณหมอภาษนาะอ่กลับมัเทการกับพระอาจารย์ค่ะก็ยังสงบนะคะแล้วก็มีไล่แรงมากเลยพระอาจารย์เวลาไปพระอาจารย์ส่งแรงมารู้สึกแบบมีแรงเยอะมากเลยพระอาจารย์ <Yeah. S 2> ไม่เหนื่อยเลยครันมัน มันสงบแล้วมันสบายมันพูดไม่ถูกอะคะอาจารย์มันเหมือนแบบอยากไม่อยากนอนเลอยากทาปฏิบัติปฏิบัติรุ่นแรงเข้าใจเหมือนที่อ่านที่บอกว่าลองฟังวันที่ที่ครูบาอาจารย์เทพอะพอฟังพระอาจารย์เทพมันมันเหมือนกับแบบว่าเออมันมันได้แรงแล้วมันก็แบบเข้าใจที่พระอาจารย์เทพมันมันก็แบบพูดไม่ถูกอะะอาจารย์มันก็ลงได้ลึกลงไปอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์แต่มันสงบปะคะแล้วก็รู้สึกดีมากมีกําลังใจอะได้แรงแบบมีกาลังใจในการปฏิบัติอะะอาจารย์ พี่หนู่ครับพี่หนุก็ดีนะแต่วันนี้ก็เหนื่อยหน่อยก็เลยไม่ได้เข้าค่ะก็เลยไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เข้ามาในสูงแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์อาทิตย์ที่เป็นอาสาลหะใช่ไหยคะก็จะไปอยู่วัดนะคะพระอาจารย์รวัดหนเพราะวัดป่าสาทวัดที่พิศนุโ ล, โลกอะคะ่ะก อ, อ, อไปแล้วหลวงพ่อหลงเออหลวงพ่อท่านดูดีคะอาจารย์ระดูแบบเมตตานะชอบมีคนเยอะไหมอ๋อไม่เยอะค่ะชอบตรงเนี้ยค่ะชอบตรงที่เออตอนที่ไปปฏิบัติ รอนที่ไปปฏิบัติเนี่ยมีมีมีโยมแล้วก็มีพี่หนุ่มแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งเป็นน้องผู้ชายแล้วก็คนที่อยู่ประจําครับคนที่อยูจจามีแค่คุณยายแล้วก็แล้วก็พี่คนหนึ่งที่เป็นน้องสาวของพระอาจารย์อ่ยมีแค่สองคนที่เป็นคนทําอาหารแต่ว่ามีชาวบ้านมาใส่บาตรนะคะแต่ว่าแต่ว่ามีที่ปฏิบัติเยอะนะคะแต่ว่าปฏิบัติเป็นทางแยกไปได้ไหมอ่ามีทั้งมีทั้งเป็นตึกแล้วก็เดินหลุงพ่อมี เดนวงกลมข้างบนตึกแล้วก็มีทั้งเป็นหลังแยกเท่าที่แล้วที่ไปอยู่อยู่เป็นหลังแยกอยู่ในป่าเลยพระอาจารย์เป็นเรือนสองชั้นอยู่ในป่าสงบมากเลยค่ะชอบมากแล้วก็น้ําน้ําอาจจะคือหนาเอาไฟไม่ได้เปิดอยู่แล้วนะคะแต่น้ําเนี้ยก็ก็มีใช้น้ําตักอาวอะไรเงี้ยคะ่ะตอนแรกเพราะตอนนตอนแรกแต่อชอบมากเลยเ<ๆ>พราะว่าแบา บ, บ, บมันมันมันสงบแล้วก็มันไม่ค่อยปรุงแต่งเยอะมันเป็นป่าพระอาจารย์แล้วมีภาพนี้ไหม พ อ, อมีพระค่ะประมาณมีพระอยู่ประมาณห้าห้ารูปเลยคะ่ะสี่ห้ารูปไม่ไม่เยอะค่ะเหมือนกันมันอยู่ไกลมั้งคะพระอาจารย์อืมันอยู่ข้างในเขาอ่ะค่ะเ็นหลวงพ่อสิงห์บูรีเวัดป่าเป็นวัดป่าค่ะเป็นรู้สึกของพระอาจารย์ฟั่นแล้วก็ไปอยู่ที่บางสะขุมกับได้อ่านในกูเกิลนะคะตอนค้นหาหลวงปู่ชอบฐานะสโมอะค่ะอืท่านอายุประมาณแปด แปดสิบห้าอ่าแปดสิบห้าแล้วก็ท่านเทพใช่โน่นนี่ตรงอายุแปดสิบกว่าใช่ไมนะแปดสิบห้าแล้วก็ท่านจะท่านจะสวดมนตอนกลางคืนนะคะทุ่มหนึ่งนี้สดครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งถึงสี่ทุ่มนั่งสมาธิท่านก็นำนั่งถึงสี่ทุ่ ม, มก็เลยยิ่งเห็นแล้วว่าท่านแปดสิบห้าท่านก็นานั่งสมาธิด้วยก็เลยเดี๋ยวลองคือไปแล้วชอบเลยอะ่ะพระอาจารย์เขาที่แล้วไปแล้วชอบสงบ เขาบอกว่เยวไปเยี่ยไปอยู่กี่วันน่ยไปเจวันค่ะเจวันเลยนะเนี่ยที่ท่านบอกไปวัดมีกำหนดเนี่ยท่านท่านชี้มาวัดจะมีกำหนดนะอยู่บ้านไม่มีกําหนดเออจริงจิงด้วยพี่เลยบอกว่าข้างหลังให้บอกท่านว่าให้เรียนท่านว่ามาวัดไม่มีกําหนดนะคะแต่มีความรู้สึกว่าถ้าบอกว่ามาวัดไม่มีกําหนดแปลว่าต้องอยู่วัดตลอดไม่ใช่เหรอว่ะอาจารย์เลยไม่กล้าบอกบอกงั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าเดี๋ยวกลายเป็นโกหกกลับบ้านแล้วกลายเป็นโกหกใช่ไหมพระอาจารย์ เาบอกว่ไม่มีกําหนดนะว่ามันไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมพระอาจารย์ไม่กําหนดก็ไม่กลับเลยจำแล้เออก็ว่าไม่มีกำหนดหม้ว่าไม่ได้กลับบ้านนี่หว่บพระอาจารย์เคยบอกเสร็จวันก่อนพระอาจารย์เลยเขาน่าไปอีกพระอาจารย์รู้สึกว่ามันอปปฏิบัติแล้วมันมีที่เดินจงกลมอยู่ในป่าอะไรเงี้ยชอบพระอาจารย์ชอบมากเลยนเงสงบเงียบเงียบเลงียบเลยไกลจากหมู่บ้านไกลจากหู่บ้านไหมก็หมู่บ้านมันก็คงไม่ใหญ่ ไม่ไม่ได้ใกลจากหมู่บ้านมากนะคในครับคิดแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันไม่ได้แบบว่าสะดวกในการเดินทางมั้งพระอาจารย์ค่ะอคนชาวบ้านก็มามาใส่บาต ท, ท่านใส่บัดรเจ็ดโมงค่ะก็คนก็มาพอสมควรนะไม่ได้เยอะมากขนาดแบบโอ้โหแบบเยอะ ม, มากประมาณสักสิบกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่อยู่ไ ม, ไม่ไม่ได้อยู่ในแล้วในละแวกบ้านใช่ไหมอยู่ญาติญาติมันมีมีหมู่บ้านแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้หมู่บ้านมากพระอาจารย์อืม แล้วก็เป็นอยู่บนเขาอะค่ะอยู่บนเขาก็เป็นเป็นป่าที่แบบโอเคเลยมีมีเก้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอื้วตัวเองก็ไม่ได้เห็นมีเก้งมีมีมีเต่ามีอะไรพวกนี้นมีสัตว์ป่าแต่ท่านก็ท่านดุดีชอบแล้วท่านก็เทศสั่งสอนแต่ท่านเมตตา ม, มากนะคะคือหมายถึงว่าสัมผัสได้ถึงความเมตตาเลยแต่ว่าท่านดุท่า น, ท, านท่านบอกว่าใครสู่บุรีไม่ต้องมาบวชที่นี่โดนไล่เอาไป ไม่ใสูบบุหรีแล้วก็โทรศัพท์ห้ามใช้อะไรเงี้ยค่ะโทรศัพทโทรศัพท์นี่โดนไล่เหมือนกันโทรศัพท์กับบุหรีนี่โดนไล่อแล้วก็ให้ถ้าจะมีอะไรให้มันโทรหน้าท่านให้มันคุยต่อหน้าท่านให้อทิตรวันอะไรเงี้ยค่ะโอเคดีมากให้ไว้ก่อนการยังให้ดีกิเลสกลัวกิเลสค่ะกิเลสจะได้ไปดูกิเลสเพราะว่ามันอยู่อยู่บ้านรู้สึก มันมันจริงๆเข้าใจนะพระอาจารย์มันสงบแต่ว่ามันต้องมีกระตุ้นกิเลสมาดูว่ามันมียังยังมีตรงไหนที่เราจะต้องแบบแก้ไขเพราะว่าคือเข้าใจว่าที่ไม่ได้ไปวัดตลอดเนี่ยเพราะว่าสงสัยอันแรกคืออาจาจะติดหลักสบายอ่ะพระอาจารย์ที่มองตัวเองนะคะ mm hmm. คือว่ามันติดหลักสบายหรือเปล่านะเพระาะว่าแต่จริงๆไม่วัดก็กินข้าวได้นะพระอาจารย์ก็คือกินของเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คืออยู่ได้ทําอะไรได้คัดส่วนในรักแต่แบบกำลังคิดว่าเอ๊อยู่บ้านเรา มันอาจจะแบบมันอยู่บ้านสบายเกินไปป่ะก็เลยว่าต้องไปวัดเป็นระยะพระอาจารย์ไมงั้นเดี๋ยวกลายเป็นแบบกลายเป็นโดนหลอกค่ะเนี่่อไปจะได้ไปอยู่ได้ตลอดนะจะได้ไม่มีกําหนดใช่มว่าอาะารยได้ค่ะเดี๋ยวไปแล้วมันกลับมารายงานค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์อ่ามันจุ๊บหารไปไหนเอ่ยโกเบจากนิมมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ หายไปกี่อาทิตย์แล้วเนี่ยหนูหายไปประมาณสามอาทิตย์เจ้าคะ่ะแต่หนูก็ฟังข้างนอกตลอดนะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ <Yeah. S 1> ไม่เข้ามาไม่ทันเจ้าคะ่ะ ท, ทำธุระให้ลูกอยู่ก็เลยเปิดดูทางเฟ e b ุ o k แทนเจ้าคะ่ะก็ดไไูไม่ต้องเข้ามาก็ได้เจ้าคะ่ะแต่ก็ระลึกถึงพระอาจารย์เสมอนะเจ้าคะ่ะคาสอนของพระอาจารย์นี้อยู่ในหัจิตหัวใจของหนาอยู่ตลอดเลยเจ้าคะ่ะ อ, อพระอาจารย์คะหนูมีคําถามคะ่ะวันนี้คะ่ะอมอินซียอินซียอ่าอินซียอินซีห้าคะ่ะตัวศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอะตัวศรัทธานี่เราจะสร้างจะเพิ่มยังไงเหรอเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ข่าวพระพุพพทธธรรมพระสงฆ์เยอะเลยฟังเทศฟังตามอ่านหนังสือธรรมะ ถ้าถ้าอยู่ใกล้พระอริยบุคคลพระสงฆ์ก็เข้าไปศึกษาจากท่านบ่อยๆสมลยนี้ก็ไม่ต้องไปแบบไปไปไ ป, ไปด้วยตัวเราก็ได้แย่นี้มีเสื่ออย่างนี้เข้ามาห้องซูมเข้าไปฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านมีไว้ในเฟ e b o ๊ k ธรรมเทศนานต่างๆของท่านเอาอาราได้ยินในฝ่าอ่างแรกรูร้มา ก, มากขึ้นมากขึ้น ทําที่ไม่เคยได้ยินก็จะได้ยินส่วนที่ที่เคยได้ยินแล้วพอได้ยินสา ม, มีก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นทําให้เกิดศรัท ธ, ธามากขึ้นดังน mm ั hmm. ้นต้องต้องเข้าใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เนี่ยในรูปแบบใดก็ได้แล้วแต่แต่จจส น, นุกอ่นสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ต้องอ่านหนังสือธรรมะสมัยยุคที่เราศึกษาเราก็ต้องอาศัยหนังสือธรรมะ หนังสือธรรมนี่เราไปเอาจากประเทศศรีลังกาใช่ยเพราะเราไม่รู้จักที่ในที่ในเมืองไทยเ็าไปเอาที่ไหนวันนีมีคนเขาให้มาเล่มหนึ่งเราก็อ่านแล้วติดใจเราก็เลยเขียนจดหมายไปขอบางเล่มก็ต้องซื้อบางเล่มเขาก็ให้ฟรีถ้ายิ่งอ่านหนังสือยิงเอาฟังเทศฟังธรรมเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะมีความมั่นใจมีความเชื่อมากขึ้นก<ม>็ว่า จะได้รู้จักว่าสิ่งที่เราได้ศึกษาได้เรียนนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่เป็นของที่เขาอแต่งขึ้นม า, เ จ, านเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูสอบถามอีกคำถามนึงเจ้าค่ะสมัยที่พระอาจารย์ปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเองยังไม่ได้บวชเจ้าค่ะพระอาจารย์เคยมีแว็บหนึ่งไหมคะที่ว่าปฏิบัติไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะที่เราทําอยู่มันมันใช่หรือเปล่ามันถูกหรือเปล่า มันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ไม่มีไม่ไมีมมมทางแหวนเลยมันร<อ>จริงมันลวนมาร้อยเปอร์เซ็นอ๋อดีจังเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเราเอาเอ า, เอาของจริงมาอ่านเราไม่ได้เป็นถ้าเรื่องเทวดาเรื่องเรื่องอิทธิริษปฏิหารนี่เราไม่ได้ศึกษาเราศึกษาแต่อริยสัจ ส, สี่ศึกษาแต่มากแปดเท่านะั้นนี่เราไม่สงสัยแตถ้าเรื่องเรื่องเรื่องปฏิหารเรื่องเราเลิกชาติได้นั่นเราไม่สนใจ หนูจะเอาพระจารย์เป็นตัวอย่างเจ้าค่ะอือเอาแนวทางมรรคแปดทางสินพ อ, อนะนี่พอเจ้าค่ะนี่คือทางสู่การหนุดพ้นส่วนเรื่องอื่นมันก็เป็นเรื่องผสมผสานเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันมีจริงแต่เราอาจจะเราไม่มันไม่เกิดกับเราเราก็อาจจะทําให้เราลังเลสงสัยได้อถ้าถ้าฟังอัไหนเราเราอย่างไม่มั่นใจเราฟังไว้เฉยๆก่อน แล้วนะเอาเอาทางที่มันพิสูจน์ได้ดีกว่าคือการปฏิบัติทานสีลภาวนาเนี่ยมันพิสูจน์ไดป้ปฏิบัติไปแล้วจิตสงบขึ้นเย็นขึ้นมีความสุขมากขึ้นเนี้ยเราต้องการแค่นี้แหละไม่ต้วที่เราปฏิบัติเนี่ยเราไมไ่ต้องการอะไรต้องการที่จะระบายความทุกข์หนักอกหนักใจให้มันน้อยลงไปแค่นี้พราะเรามาทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรสามารถระบายความทุกข์ได้อย่างถาวร ได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวไปเที่ยวดื่มเหล้าออ ก, กินยากินอะไรนี่มันก็ไปก็สนุกทองเงินหมดก็ทบก็เสายยาียเงินที่ไหนมาใช้ <laughs> <Okay. S 2> เลยพอดีได้หนังสือธรรมมาเน้่วาได้ภาวนาเราจะได้สัมผัสกับรถแทงธรรมที่ชนะรถทั้งปงูนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นย่างๆทำภาวนาให้จิตสงบทำจิตให้ดวเป็นสมาธิได้ก็จะ ได้สัมผัสกับความสงบอันนี้มันก็เลยไม่สงสัยมันเพ่งแต่อยากจะทําให้มันมากขึ้นทําให้มันมีบ่อยๆมากขึ้นแต่ก็ต้องสู้กิเลสเพราะบางทีก็เผลอกิเลสมันช้ำชักจูงให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปนู่นที่นี่ไปที่นั่นที่ไปที่นี่ตอนนั้นก็เหนื่อยหน่อยเวลามันมดึงไปทีพอมีสติหนึ่งกลับมาเข้ามานั่งสมาธิได้มันก็เบาสบาย มันต้องสู้มันไม่ใช่ว่ามันได้สมาธิแล้วกิเลสมันจะยอมแพ้นะพอเราเพาะสติเมื่อไหร่มันมาหลอกลเรานะเฮ้ยนี่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีนะเอะอเป็นดํามาดําต้องเข็นห่วยกวดขันวลิยะเนี่ยพอมีสัทธาทั้งวิริยความเพียรนี่ต้องเป็มร้อยทํามันทั้งทั้งวันทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับจะเดินสติเนี่ย มีวิริยะเพื่มมาเจริญสติพอมีสติก็นั่งสมาธิจิตก็รวมพอจิตรวมก็สามารถที่จะใช้สมาธิไปสนับสนุนการเจริญปัญญาต่ตอไปไนะอินซีห <Yeah. S 1> ้า <Yeah. S 1> จะก็จะกลายเป็นพละห้าไปต่อไปพละห้าก็คือมีกาลังมากอินทรีย์นี้เหมือนเหมือนเด็กไงเพิ่งเริ่มต้นพอปฏิบัติไป มีศรัทธามากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นมีสติมากขึ้นมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นก็จะมีพลังมากขึ้นก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่เลยกลายเป็นพระห้าไปขอบคุณเจ้าค่ะวันนี้ได้คำตอบดีมากๆเลยเจ้าค่ะพ่ะอาจารย์เปนได้ยินมาจากที่ไหน NC5 NC5 หนูก็ศึกษามาพระอาจารย์ก็เคยสอนอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ กลับขอบพคุณสิคะพระอาจารย์หนูจะพยายามปฏิบั<อ>ติค่ะปฏิบัติเปลี่ยนน N C ให้เป็นพระให้ศรัทธาแบบไม่หวั่นไหวไม่สงสัยไม่รังเวมันคงรอยเปอร์เซ็นตอาจาระศรัทธาถ้าเป็นน N ีห้าเนี่ยศรัทธายัางเป็นอาจารยละอย่างเป็นยังสันคลอนได้ เาเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างกับบุคคลนะั้นบุคคลนี้ก็อาจจะทําให้เสื่อมศรัทธาได้แล้วค่ะแต่ถ้าเขาถึงอริยสัจแล้วมันไม่มันไม่เสื่อมนะมันมันไม่ได้อยู่ที่บุคคลมันอยู่ที่ธรรมคนที่มาบวเนี่มันบางคนก็มีธรรมบางคนก็ไม่มีธรรมเราจะไปยึดเขามาเป็นแนวให้แนวศรัทธาของเราไม่ได้เราต้องเอาธรรม ตัวเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเข้าใจไหมเนี่ยตอนนี้มีอาจารย์เยอะแยะไปหมดเนี่ยไม่รู้มีทำหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ่ะเดีวเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะน่มรันเทนก็น่น า, นากันไปหมดเนี่เจ้าค่ะหนูก็ฟังจนแบบูฮ้ยแต่หลักที่สุดของหนูที่หนึ่งในใจหนูก็คือพระอาจารย์นะเจ้าค่ะ ยังยังมัายึดตัวเราเลยยึดคำสอนนี่ไยึดอริยสัจสี่ดีกว่ายึดยึดยึดมรรคแปดดีกว่าะมรรคแปดอืมค่ะอืมแล้วคนนี้ถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ตายนี่มันมันดิ้นได้เนะมันมันเปลี่ยนได้เจ้าค่ะถ้าพระตายแล้วเชื่อได้เออถ้าท่านตายแล้วได้นอนท่านไม่เปลี่ยนแต่ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นี่ท่านอาจจะเปลี่ยนได้ เราไม่รู้ข้างในเขาเป็นยังไงเราเห็นแต่ข้างนอกเจ้าค <Okay. S 1> ่ะแต่ขอบคุณเ<น>จ้าค่ะหนูจะเข้ามาบ่อยๆเจ้าค่ะโอเคไปที่คุณอุษาต่ออันนี้ลอุษาไม่อยู่เลยอยู่ค่ะแต่ว่าเขารากับงานก็เลยเข้าไปพักแล้วค่ะจันอืมเอ่อ ขออนุญาตเชื่อมโยงจากคุณจุ๊กเมื่อสักครู่นะคะเรื่องอินทรีห้าพละหา<ม>้าถ้าเป็นไปได้ให้กลับไปฟังธรรมะหน้าปุติวันที่ยี่สิบหกมกราค่ะอาจารย์เทศเรื่องนี้พอดีเลยค่ะโ<ม>ยมจะมกเก็บ อ, อันนี้เอาไว้ค่ะตอนนั้นโยมฟังแล้วโยมก็เก็บโน้ตอันนี้เอาไว้ค่ะปีนี้ของปีนี้เหรอของปีนี้คะ่ะยี<ม>่สิหกมกราหกแปดนี่แหละค่ะจะตอบเรื่องพละห้าค่ะอาจารย<ม>์อาจารย์จะสอนเรื่องอินทรีห้าแล้วพละห้าค่ะ<ม>ตอนนั้นโยมขึ้นเขาพอดีและโยมกําลัง ทุกอยู่พอดีค่ะแล้วก็ฟังเรื่องนี้ค่ะอาจารย์อื hmm. แล้วก็โยมช่วงนี้โยมมาเจอข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยค่ะอาจารย์ hmm. มาเป็นระลอกเลยนะคะตั้งแต่ไปบนเขาเป็นบ้านหมุนกลับมาเจอปัญหานิ้วล็อกนิ้วป้งล็อกค่ะอาจารย์ก็ต้องไปทํากายภาพใช้สายใช้ไฟกระตุ้นแล้วก็ใช้ใช้สายร้อนทับอะค่ะแล้วก็ มันร้อนมากยมก็เลยใช้วิธีที่ใช้ทุกครั้งคือกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ปล่อยมันมีความรู้สึกว่าเราอยู่กับผู้รู้รู้อยู่อย่างนี้แล้วก็มันจะมีจุดที่ที่มือที่มันเจ็บอะค่ะมันร้อนจนแดงเลยนะคะอาจารย์รู้สึกแดงเหมือนไฟเลยยมก็กลับมาแค่รู้แล้วก็ปล่อยมันไปค่ะอาจารย์แล้วก็พอวันที่21ที่ผ่านมาก็นัดขุดหินปูนก็ยมคิดว่าแค่ขุดหินปูนก็แค่ชิว ๆ, ชวๆใช่หมคะอาจารย์ ปรากฏว่าไปขุดหินปูนคราวนี้กรามมันกรามมันเคลื่อนค่ะอาจารย์ทางเบี้ยวไปเลยค่ะอาจารย์ทางเบี้ยวแล้วก็งับไม่ได้แล้วก็อน้องเขาก็ตกใจแล้วโยมก็บอกเขาว่ามันงับไม่ได้มันงับไม่ได้เขาดูหน้าเสียไม่ใช่เป็นแพทย์นะโยมทํานอกเวลาน่าจะเป็นทันตพิบาลแล้วแต่ว่าตอนนั้นโยมไม่ได้รู้สึกตกใจ แล้วก็ไม่ได้เกิดความกลัวแล้วไม่ได้กังกวลกวายใจแค่รอว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องแก้ปัญหาให้โยมค่ะอาจารย์จนกระทั่งเขาเปิดวิดีโอคอลคุยกับแพทย์ค่ะแล้วเขาก็ส่องหมอก็บอกว่าให้เอานิ้วโป้งล็อกแล้วก็ดึงดึงกรามมาแล้วให้ดังกึกก็เขาบอกว่าไม่ได้ดังกึกโยมก็เลยมาลองงับดูโยมบอกว่าได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะประมาณค่ะอาจารย์แล้วก็ตอนที่ โยมมาฟังธรรมะบนเขาเมื่อวันที่23กับ24ซึ่งสองวันนี้เป็นการเทศที่เชื่อมโยงกันนะคะอาจารย์เรื่องของการปฏิบัติแล้วโยมก็มาฟังถึงอาจารย์เทศว่าลองเข้าไปอยู่กับความเจ็บป่วยแล้วก็ให้เข้ามาในสมาธิให้กลับมาเป็นอัปปนาสมาธิโยมก็มาถูกใจว่าไอ้การที่โยมป่วยแล้วโยมเจ็บมาขายโยมกลับเข้ามาอันนี้เป็นสําคัญเข้าสมาธิหรือเปล่าคะ แล้วอยอมทำยังไงนะยอมอยู่ค่ะถ้า้นสมาธิมันก็ต้องสงบมันก็ไม่รู้เรื่องของร่าง ก, กายไปชั่วคราวยอมอยู่กับอะยอมอยู่กับปัจจุบนันยอมอยู่กับมันยอมไม่ลุกไปไปปรุงกับมันยอมก็ เ, เขาทำ<ม>ํำไปค่ะยังไม่ไม่ใค่เป็นสมาธิเป็นแค่สติอค่ะยอมก็ปล่อยให้เขาทําของเขาไปยอมก็อยู่กับมันเจ็บก็ปล่อยให้เจบ็บไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทุกข์ปล่อยให้เจ็บไปอย่างนั้นนะคะ ใอ่ดังยังไม่ได้เข้าสมาธิถ้าเข้าสมาธิก็เหมือนกับเหมือนกับถูกฉีดยาชาไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ก็ยังรู้รู้ทุกอย่างค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทุกกับมันไม่ได้รู้สึกว่าเขามีสติคอยควบคุมไว้อยู่ค่ะมีสติมีปัญญาให้ปัญญาเจตนาไม่ใช่ตัวเราของเราห้ามมันไม่ได้ปัญญาอะไรจะเกิดก็เกิด โยมก็เลยบอกอ๋อมันมาเป็นละลอกเลยมาเป็นชุดแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้มาแบบแบบไม่รู้จะโอ๊ะจะมีอะไรอีกไหมแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้วิตกหรืออะไรนะคะอยู่กับมันได้รับมันได้ค่ะถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปุ๊บพอไปตอนที่เขานวดเนี่ยมันเจ็บใช่ไหมคะโยมก็บอกว่าโยมจะนอนนะโยมจะนอนนะจริงๆเราไม่เราไม่หลับหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าเรากลับเข้ามาอยู่กับความนิ่งของเราอะคะ่ะเพราะถ้า<ๆ><ๆ>เขาชวนเราคุยปุ๊บเราจะเผยแล้วเราจะเจ็บ เราก็มาอยู่นิ่งๆแล้วก็ปล่อยให้เขาทําไปอ ะ, ค, ะค่ะอาจารย์อืมค่ะอันนี้ก็คือแค่ใช้สติอยู่ใช่ไหมคะเอะ อ, ะอะจะเป็นสมาธิแต่ยังไม่สติตยังไม่รวมยังไม่แยกออกจากตายใช่อันนันก็มีสมาธิสองแบบแบบนิ่งเฉยๆแต่ยังรับรู้เรื่องร่างกายอยู่แบบสงบเต็มที่ไม่รับรู้เรื่องร่างกายเลยเดิจิตตัวเดียวมันๆวล ยมยมก็ลองดูยมวันนี้วันนี้ไปนวดมาใหม่แล้วก็ยมก็ลองสังเกตดูตอนที่มันเจ็บยมก็ปล่อยให้มันเจ็บไปแล้วเราก็อยู่กับตัวเราตรงที่เรารู้อะค่ะความเจ็บจะไม่ไม่ไปใส่ใจเขาปล่อยเขาทำค่ะถ้าเรารู้เฉยเฉยมันก็จะไม่เราก็จะไม่สร้างความทรมานให้กับใจใช่ค่ะเจ็บนะคะแต่ว่าเราถ้าเรา<ต> <c oughs> เราไม่ทรมานเราไม่เราไม่ไมต่อต้านเราไม่เฉยค่ะ<ๆ>ปล่อยให้เขาทาําแล้วแต่เขาก็พูดว่าเออวันนี้ดูป้าชิวชิวนะ อืก็ล้วก็เจ็บแหละแต่ว่าเราก็ปล่อยเพราะเรายัางไงเราก็ต้องเจอมันไงคะจะเราเราหนีไม่ได้แล้วก็ออืจำสบายใช้อุเบกขาปล่อยวางค่ะค่โยมโย ม, ยมขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่โยมมาเจอตรงนี้แล้วเอามาใช้ได้โดยที่แบบเราไม่ทุกข์กับมันแล้วก็ อ, อยู่กับมันคะ่ะจนันก็รู้สึกดีค่ะพระอาจารย์รู้สึกแบบอืมกอเนี่ยปฏิบัติก็เพื่อให้ใจเราสบายไม่ทุกข์กับอะไร คืออาการกโกรธก็คือรู้ทันมาเลยค่ะพอเริ่มโกรธปุ๊บกำลังจะโกรธนะก็มันสามารถกดลงได้ค่ะอาจารย์อยู่รู้สึกรอบกดลงเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไรก็ต้องตัดมันให้ได้รอบคือความใหญ่น่าโกรธคือความไม่พอใจหลงก็คือคิดว่าเป็นความสุขเนยเห็นอะไรเป็นความสุขก็เรียกว่าหลงนะเห็นโน้ตเป็นความสุขก็หลงนะเห็น เสียงเป็นข้ามสุกก็หลงนะเห็นขนมนมในเป็นข้ามสุกก็หลงนะขนมนี่ยังยังถ้าจานยังยังยมยมบอกสามียมว่าเธอนี่วะคิดแต่เรื่องกินเออมันกินมื้อเดียว่ะขอสักหน่อยแล้วกันอย่าอย่าเป็นปฏิกูลเลยขอก่อนอย่างอย่งอยังเพราะว่ามื้อเดียวจะเข้าสามปีแล้วนะคะจานจะเข้าสปีปีนี้พรรษานี้ก็ครบเข้าปีที่สามแล้วค่ะ ก็อย่าไปกินอย่าไปอยากกินกินเวลามันจําเป็นถึงเวลากินก็กินแต่อย่าไปกินเพราะความอยากไม่ค่ะยังไม่ยังไม่เคยยังไม่เคยหลุดค่ะถ้าหากว่ามื้อเดียวก็คือมื้อเดียวค่ะจานยังมื้อเดียวอยู่ค่ะก็ยังยังไม่ตามเกิดได้ยิีมีอะไรก็กินมันไปพอเป็นพันยาดับความหิวแต่ก็ยังยังยังยังแอบดูขนมครบอยู่ค่ะฟูลออฟชั่นอยู่กินเลแล้วนะถ้าแอบดูนี้งไม่กีนเลย ันอย่า ง, งคือแบบว่ามันเหมือนกับว่าขอให้ตัวเองนิดนึงนิดนึงประมาณนั้นค่ะจันกิเลมันจะมาล่าเราขอทีละนิดก่อนเดี๋ยวคนนมครบแล้วเดี๋ยวอย่างไืก็จะตามมาต่อจะกาแฟยมเลิกมานานแล้วนะคะตั้งแต่จันพูดเรื่องกาแฟยมเลิกมานานม า, น า, นมากแล้วค่ะกาแฟมไม่ได้ดื่มเลยคะ่ะดีเลิกอะไรได้เลิกให้หมดเลยอันนี้ำเดินน้ําเปล่าอย่างเดียวพอ แต่ว่ามันบางทีเราเรารู้สึกว่าตอนเย็นๆเรารู้สึกเคลียค่ะอาจารย์โยมก็อาจจะเอาน้ําหวานมาอืช่วยอยู่ค่ะแต่เป็นน้ําที่ไม่มีกัดเป็นเป็นปนานะนะคะอาจารย์ได้ไดน้ําบูบอยเงี้ยได้ค่ะน้ําเขียวน้ําแดงอาจารย์โยมย ม, ย ม, มีความสุขกับทุกวันค่ะอาจารย์มันมีทุกเข้ามาปุ๊บแปบ๊บนึงเราเหมือนกับเรามีสติรับมันนะคะอาจารย์รู้สึกมีความสุขกับมันค่ะแล้วก็ ทุกวัยาวทุกวันานใช่ค่ะใช่ใช่แป๊บเดียวค่ะแล้วก็มีเรื่องแต่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่รู้สึกนะยังรู้สึกอยู่ยังกระเพื่อมอยู่แต่ว่าแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวจากคนที่ค่ําวันค่ําค่าคืนค่ะอาจารย์นี่ก็คือแป๊บเดียวค่ะก็ก็มีความสุขกับมานค่ะอาจารย์ยมต้องขอบคุณพระอาจารย์นะคะโอเคสาธุจริงเลยคะ่ะสาธุค่ะพระอาจารย์อ่าไปดิค่ะลักเซมเบิร์กมันปุยหายไปหลายาที่นเลย น, นะ ไม่เข้ามาไม่ได้ไม่เข้าไม่ให้เข้ากา <laughs> ค่าคนเต็มค่ะพรอาจารย์ฟัองอยู่ข้างนอกค่ะพรอาจารย์ค่ะคุณปุ่ยสบายดีค่ะบดีมีวันชาติด้วยที่ผ่านมาเขาฉลองวันชาติโยมไม่ได้ไปเขาหรอกโยมก็อยู่ในเมืองนั่นแหละแต่ก็ปฏิบัติแต่ทีนี้แบบมันมีปัญหาที่ มากระเทือนเราก็คือโรคภัยาหาพผจญโยมเป็นเหมือนกับว่าเจ็บอ่ะอยู่อยู่อยู่ไม่อยู่ก็เจ็บหัวเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันเหมือนกับว่าเราไม่มีปัญหาอย่างอื่นมีแต่ปัญหาซึ่งซึ่งมันมากระทบเราแต่เราก็พยายามแล้วแบบเออเหมือนกับหนถ้าเรานั่งสมาธิเนี้ยถ้านั่งดีๆนั่งฟังพรผจญโนนยมจะไม่มีปัญหาแต่พอไปนั่งสมาธิมันจะเหมือนกับมีอะไรมาติดคอ แต่แต่โยมก็ขอก่อนก่อนจะนั่งมาทีโยมจะขอครูบาอาจารย์ทุกทุกพระองค์เลยนะฮะว่าช่วยโยมหน่อยแต่โยมไม่ทิ้งศีลสมาธิภาวนานี้คือทุกวันโยมไม่ทิ้งศีงแปดเพราะโยมถือว่าโยมเดินมาทางนี้แล้วและโยมก็จะไม่ละแล้วถึงภรรษานี้โยมก็ต้องให้มันมากกว่า น, นี้ทิ้งให้มันมากกว่นน า, านี้ครับอาจารย์ดีทาให้มาก ใช่เพราะว่ายมยมเชื่ออย่างแบบว่าไม่ลังเลสงสัยเลยเพราะว่าทุกคําพูดที่ท่านอาจารย์สอนหรือพระพุทธเจ้าตัดนี่คือเรื่องจริงเลยค่ะ mm hmm. เพราะยมเห็ น, เ ห, นเห็นตาเลยแบบวันหนึ่งที่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วมั้งที่โยมไปไอ ห, หลุมฝังศพอะยมยมนึกยมนึกออกเลยว่ายมแบบรู้สึกป่งเลยว่าเออว่ะคนเราไม่มีแค่เนี้ยคือ เกิดมาแล้วก็ตายพอตายตอนแรกๆคนก็ร้องห่มร้องไห้และพอหลังจากแบ่งสมบัติลูกหลานไม่มีใครมาดูเลยหลุมฝังศพจึงยมแบบนึกเห็นแล้วแบบเออนึกถึงบางอ้อเลยรแบอบกเอเอเราต้องเราต้องเร่งสร้างบา ร, รมีแล้วเพราะเพราะว่าชีวิตหลังความตายนี่มันแบบน่าถุกสาเนะ่เพราะบางบางคนเขาอาจจะไปนั่งอยู่หน้าหลุมก็ได้หรืออะไรอย่างนี้ก็คือเราไม่เห็นนะคะแต่ละ เราเราเราจิดจิตเราปรุงแต่งอยนะ่างเงี้ยค่ะมันก็สงสารเราก็บอกว่าอถ้าเกิดไม่มีบุญเนี่ยขณะคนศาสนาคิดเขายังต้องใช้บุญเลยถ้าเราไม่มีบุญนี่เราจะไปอยู่ตรงไหนเรามันก็ถึงบางอ้อตรงเนี้ยนคะ่อาจารย์มันก็เลยแ <c oughs> บบไม่ไม่อยากกลับเข้าไปใช้ชีวิตเหมือนอย่างธรรมดาแล้วเราอยากจะเดินคทางมาสร้างบุญทางกุศลนี่ค่ะจริงค่ะ อ่ยมอยากจะเป็นกองทัพธรรมอยากจะอยู่กองทัพธรรมเดียวกับพระอาจารย์เนี่ยแหละค่ะอืมก็นี้่ทำมาในห้องนี้ก็ถือว่าอยู่แล้วใช่โยมโหต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างมากบอกยมนี่เป็นคนที่มีวินัยมากเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากรู้จะคิดก่อนพูดไม่พูดก่อนคิดแล้วแบบเออยมปฏิบัติธรรมมาเนี่ยหมดสมุดจดบันทึกไปหลายเล่มแล้วในห้าปีเนี่ย โยมบอกเพะเออเราเมื่อเช้ากก็นั่งดูหนังสือนะนั่งดูสมุดบอกเออภูมิใจมากแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาเดือนเดือนยูนเดืนมิถุนาเนี่ยคือคือเราปฏิบัติก็จริงแต่ว่าความพอใจยังไม่ถึงขั้นสุดแต่ว่าถามว่าสงบไหมคะโยมก็สงบในในในในเวในทางของโยมอะ่ะคือโยมสงบแต่ว่าโยมจะไม่ไปเปรียบเทียบตัวโยมันใทยว่าเอ้ยมันต้องเห็นนรกสวรรค์อะไรโยมไม่เอา น่คือยอมคือสงบคือเราไม่อยากยุ่งอะไรกับใครแล้วอะไรเงี้ยอขอให้ไม่ทุกข์กับอะไรก็ใช้ได้ใช่ค่ะยอมก็ขอพระพุทธเจ้าให้เปิดทางให้ยมให้ยมได้สร้างบุญสร้างบา ร, รมีแบบเพราะว่ายมอยากความพัฒนาของยมก็คือยมอยากจะไปยืนใส่บาทพระอาจารย์ยมเป็นคนที่ชอบใส่บาทมากค่ะพระอาจารย์วันหนึ่งอาจจะได้เจอกันนะ ใช่ค่ะค่ะพระอาจารย์ขอขอพรหน่อยสอิขอให้สุขใจเริญให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานให้ร่ำรวยสวยไม่สางบานไม่นุ่นยน ะ, อะขอถูกหวยด้วยนะค่ะถูกหวยด้วยลือ <laughs> ลื ม, ล, มลืมพรนั้สำคัญไปขอบขอบขอบคุณในการขอให้บ พ, พาขนขา์แข็งแรงค่ะโยมเดีว ปฏิบัติเอถือศีลแปดทุกวันค่ะดีมากดีมากสาวนิวไปที่คุณลูกตากับคุณแม่ต่อคุณแม่จะําอยู่วันเขาอีกหรออยังอะไรนมัสการครับอาจารย์พอาจารย์ว่าอะไรจอดองที่ภาคบนเขาหรื อ, อ ย, ยังเดินยังยังไม่ได้จองเลยค่ะเพราะว่าเออ เดือนสิ้นเดือนนี้มีพบหมอเรื่องหมอโลกกระดูกค่ะกระตรวจโรคกระดูกค่ะอืก็เดี๋ยวว่าให้เลยช่วงอาสาฬหบูชาจะจองค่ะค่ะดีว่าจะไปทุกเดือนกับพระอาจารย์มาเติมน้ำมันนะมาเต็มพลังเพราะวันไหนได้ใช่ค่ะวันไหนที่เข้าสมาธิได้มันก็จะมีจิตมันจะมีพลังสดชื่นนะคะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้มันก็จะ มันก็ดูล้าๆยังไงเอเออเฮ่อค่ะดีอยู่บ้างกนต้องปฏิบัตินะปฏิบัติแล้วจะแต่เฉพาะเวลามามาทันค่ะปฏิบัติค่อยู่กับพุทโธค่ะอืมแต่เวลานั่งเป็นวลาประจําวันมีนั่งธรรมะค่ะแต่เวลานั่งเวลานั่งหนูใช้พุทโธด้วยแล้วก็พอพุทโธเริ่มจะสงบหนูก็จะมาดูกลมหายใจอ่ะค่ะได้ดีแล้วก็ฟังธํามพระอาจารย์ทุกวันค่ะ อกลางคืนก่อนนอนพอพอออกนั่งสมาธิต่อป่านั่งค่ะหรือหรือไม่บางทีก็นั่งก่อนแล้วก็ออกออกมาแล้วก็มานั่งฟังต่อแล้วก็เข้านอนค่ะเพราะว่าในนั้นมันจะมีเรื่องที่พระจันทร์พูดถึงปัญหาต่างๆที่คนคนที่คนถามอะค่ะแล้วเราก็เอามาเอามาใช้กับตัวเองได้เวลาตอนเจอค่ะหนูหนูตั้งมั่นนะคะหนูไม่ออกนอกแถวเออ ดีมากมานั่งรูปตานอ่ะเข้าแถวแล้วยังตอนนี้เรายังอยู่แถวแถวอยู่หนูนั่งทุกวันค่ะอาจารย์แต่ว่าหนูไม่ไม่สงบค่ะแต่หนูก็พยายามค่ะยัไม่นั่งคิดเลยนั่งคิดเองก็ไม่สงบมันแบบบางทีก็กระเจิดกระเจิงไปหมดเลยค่ะอาจารย์ครับะดึงกลับมาใช้พุโทโธดึงกลับมา มันส่วนบนอะไรก็ได้ส่วนบนไหนก็ได้มันก็จะดึงใจกลับมาได้ค่ะแต่แบบตอนนี้แบบที่ไม่ได้กินยามันก็จะมีอารมณ์แบบขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยค่ะก็ะจะต้องระหว่างวันก็ยิ่งต้องพยายามเยอะเห<ช>มืนอนกันค่ะใช้ธรรมโอสฐ์นี่ค่ะใช้สตินะค่ะต่อไปสติเยอะๆแล้วอารมณ์ก็จะไม่ไม่ขึ้นไม่ลงอารมณ์ก็จะอยู่บลางๆหนูก็พยายามแบบ ทำด้วยตัวเองให้ได้ค่ะเพราะหนูแบบเพราะว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็ให้ให้กลับไปกินแต่หนูก็ยังยังไม่อยากกลับไปกินค่ะก็ตอนนี้ใช้ความพยายามเยอะอแล้วกลางคืนนั่งสมาธิมันก็เลยแบบมันก็ไม่ได้อะไรเลยค่ะอาจารย์แต่ก็ยังยังนั่งทุกคืนค่ะใช้เวลาทําไปเรื่อี่มันมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยอดีกว่ากินยากินยาแล้วก็ติดยาต้องเพิ่งยาเป็นตลดอด เรีนเราพ่งสตินี่ค่ะสติสมาธิปัญญาจะรักษาใจให้เราเน่งให้สงบให้มีความสงบได้อะแล้วก็อาศัยฟังแบบฟังธรรมค่ะแล้วก็ที่ที่ทอดถอดทาถอดเทปอะค่ะก็<อ>ช่วยได้เยอะยังอดอยู่เลยถอดอยู่ค่ะแต่ช่วงช่วงนี้ตาหายไปเพราะว่างานงานเยอะค่ะบางทีแบบ เหมือนก็บอกเอนกับว่ามันสติอะไรไม่ค่อยดีมันก็จะแบบทําไม่ได้เหมืนนอนกันคําอาจารย์มาถ้ามันไม่ม น, ออนิ่งอะไรเงี้ยค่ะดเมื่อ ก, ก, ก่อนเนการฝึกสติภาในตัวค่ะเมื่อก่อนเนี่ยหนูเคยาาะคะ ก, ก่อนที่มาพบพระอาจารย์นะคะเมื่อก่อนเนี่ยหนูเคยไปนั่งนั่งแต่ว่าทางสายอื่นนะคะหนูนั่งหกวันนะหนูจนตาหนูเจ็บไปหมดเลยมันยังไม่สงบเลยค่ะจนหนูสงสัยอะ่ะอย่างที่คุณชูถามว่า ถามเรื่องศรัทธาค่ะอืตอนนั้นขนาดหนูว่ามีความมีความศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าอะไรเนงะี้ยอย่างมั่นคงเออริยามรรคอย่างมั่นคงแต่ตอนนั้นหนูนั่งหกวันหนูยังไม่ได้เล ย, เลยจนหนูเองเคยมีความสงสัยนะคะอาจารย์ว่ า, วาเส้ น, น, นทางนี้เพราะนั่งไม่ถูกวิธีท่านใช่ค่ะมันแล้วไม่มีใครสอนไม่มีใครเอเหมือนกับว่าคนที่เขาสอนเราอ่ะ เขาก็ยังไม่ได้อะไรเลยค่ะเขาก็เขาก็แก้อะไรให้เราไม่ได้แล้วหนูก็สงสัยตอนนั้นหนูสงสัยนะครับว่ามันหลุดพ้นจริงเหรือทาง น, นี่มันหลุดพ้นจริงเหรอแล้วหนูก็พยายามพยายามหาจะมามาเจอพายจานนะแต่ถามว่าจริงจริงหนูเชื่อมันในตัวพขาก็ถึเจ้าอยู่แล้วค่ะแต่แต่มันมันไม่เจอทางที่จะไปอย่างถูกต้องนะค่ะเน่เพอตอนนี้มันก็เลยทําให้เราสงสารคนที่คน ท, <c oughs> คนที่แบบ ไม่ได้รู้ทางที่ที่แท้จริงอะคะ่ะอืมรู้สึกสงสานแต่ก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงอะคะ่ะใช่เพราะบางทีเขาเชื่อแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนใจเขาไม่ไม่ได้ค่ห น, หนูหนูฟังพระอาจารย์อยู่เป็นปีเลยนะคะแล้วหนูถึงไปหาพระอาจารย์ที่ที่วัด น, นะคะลองอจากคุณหมอวีช่วงโควิดนะคะฟังฟังแล้วหนูก็ลองทำํำหนูก็ทําตามทําตามที่พระอาจารย์สอ น, อนะคะ่ะตอนนั้นหนูแบบพระใจหนูมันดิ้นขุกขักขักขอยู่ตลอดเวลาเลยว่ามันเราอยากหาทาง คือเราอยากหลุดพ้นนะมันเหมือนชีวิตแต่ละวันมันไม่อิ่มอะค่ะทั้งที่เราก็มีเงินมีเงินใช้มีลูกเราก็น่ารักอะไรๆแค่ยังว่าถ้าพี่เป็นอะไรพี่ยังไม่มีความสุขบอกไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันี่ไม่มีความสุขคนดูเฟซของคุณมอนี่ตอนที่คุยกับเราเนี่ยเป็นแสนเลยนะอย่างนี้ถ้าถ้าคนทั้งแสนนี่บาปฏิบัินะก็พระอาจารย์โล่งจะสุกเยอะเลยนะคะใช่ก็ต้องเริ่มต้นจากการฟังก่อน แล้วต่อไปก็เกิดศรัทธาอยากเกปฏิบัติต่อแพไปแหม่เพจของคุณหมอนี่ย ม, มีแฟนเยอะมันติดตามเยอะพอได้ยินได้ฟังมีเยอะที่เขาบอกว่าเขารู้จักเราผ่านทางเพซทางเพซของหมอหมอวีอหนูก็รู้จักจกกัดการคุณหมอวีตอนเขาไปฟังเรื่องโควิดนะคะช่วงนั้นช่วงนั้นหนูก็ไปปฏิบัติที่วัดวัดหนึ่งนะคะช่วงนั้นหนูก็ไปอยู่ไปอยู่สิบห้าวันไปอะไรเงี้ยแล้ว แล้วหนูก็ได้ฟังมีคนเขาพูดถึงพระอาจารย์พระอาจารย์หนูก็มามาฟังแล้วก็ไปฟังโคเ อ, อไปฟังเรื่องโควิดกับคุณหมอวีแล้วก็ฟังตอบถามตอบปัญหาค่ะอืมวันอาทิตย์อะคะ่ะอ่าเนี่ัเป็นดีนาเข้ามาแล้วนาพิสูจน์ได้ ว, ว่าธรรมะจารยานี้ไม่ใช่โมฆะเป็นเหตุเป็นผลถ้าจะนั่นเห็นได้ผลก็อย่าตามมา เอกก็คือสติเนี่ยตัวสําคัญที่สุดแล้วเราพอมาพบพระอาจารย์เนี่ยแล้วได้แบบปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนนะมันก็เลยทําให้เขาทาให้รู้ว่าค่ะว่าอะไรของแท้ของเทียมใครที่ว่าได้ได้มันจริงหรือไม่จริงอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเข้าใจได้ะะอะค่ะอืมดีมากทาต่อไปนะกล่าวขอบพระคุณค่ะครับพระอาจารย์กล่าวขอบพระคุณค่ะ ไปที่คุณอาจารย์ผมไม่ไรเป็นยังไงตาดีขึ้นไหมฉันทำมาเมื่อวานนี้คะ่คะค่ะก็สว่างขึ้นคะ่ะแต่ยังไม่ชัดคะ่ะผมต้องหลายวันอยู่คะ่ะใช้เวลาให้มันเพื่นตัวนะคะ่ะเขาห้ามโดนน้ำเด็ดขาดนะคะห้ามทำกับข้าวด้วยแย่เลการปนะระจารอ่าเหมือนนักูลสบายดีนะะโอเคเลยครับว่าวุ่นเกิดกิจกรรมนอกเรื่อง อืไปถึงอะไรเรางวด น, นี้มีไปกินข้าวกับเพื่อนครั้งหนึ่งแล้วก็ไปภารากิจวุ่นวายเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับทางโล ก, กนะทำตัวให้วุ่นวายเวลามีก็พยายามใช้ให้ได้มีคุณค่าของทางโลกบางทางขารบาง ก็แล้วแต่ถ้ายังจาเป็นต้องเกี่ยวข้องกัทางโลกอยู่ก็ต้องก็ต้องทำไปถ้าเลิกได้ก็ตัดไปค่ะก็ทำทางโลกให้น้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนฟูงก็เหลือน้อยลงกิจกรรมก็เหลือน้อยลงมากกว่าเดิมเยอะแรมันก็น้อยลงไปด้วยต่อ <laughs> <laughs> ไปก็ไม่อยากจะไปไหนเห็นภารกิจของอาจารย์ก็ ค่อนข้างเกยววุ่นวายก็ในยังภารกิจแล้วไม่ต้องอะไรแต่หน้าเฉยนั่งแล้วก็พูดพูดเมื่อวายวันนี้ก็พูดแบบทีหนึ่งเทนะเทเมื่อวันเมื่อวันนี้ฟังของชาวต่างชาติแล้วก็จะเห็นในความเริ่มใสนะคะในพุทธศาสนาแล้วก็ฟาจานตักผู้คนก็ทยอย มาจากต่างประเทศที่พุทมาก็มีมาเช้านี้มาใส่บานค่ะบินมา13ชั่วโมงบอกมามุ่งหน้ามาเลยทุกคนเราเจอตอนเช้าก็ตอนเช้าเรานกกลมลงกาบเลยแล้วเราเห็นบอกจะมาอยู่ตั้งหลายวันมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งเอนหนึ่ง แกบอกแกปฏิบัติมามากมานานแล้วไม่เข้าใจเลยทีอเอามาฟังเทศของเราลองเอาไปปฏิบัติดู เ, เห็นผลเลยดีใจตอนนี้ก็เห็นคงทยอยกันมามน า, าซีกโลกบ้านนูน้นอเมริกาใต้ใช่ไหมคะเห็นบอกก็จะมาวันนั้นก็มาอยู่ก<ม>็ลเลยบอกว่าโหของพอระอาจารย์ธรรมะพระอาจารย์นี่ไปเปิดเปิดชาไปั่วโลก เปิดธรรมะให้สู่ใจของุคคลทุกชาติทุกชาติเลยค่ะหลายๆชาติมากเราก็เห็นคนทยอยกันมามาให้เห็นตนเหมือนที่ครูที่เป็นพนาดานดะที่มาบอกว่ายังไงอยู่ต้องมาไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะเห็นในพระเห็นในจอนี่ไม่เหมือนกันเห็นตนไม่เหมือนการรับพลังนี่ไม่เหมือนกันเด็ดขาดอถ้าไปพบไปเจอไปตักบาตรไปสวายอาหารก็คือได้พลัง กลับบ้านมาได้มาไหวหายแล้วเร็วๆนะอืมไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกคะอ่ะไม่เจ็ไ ม, มไม่มีอาการเจ็บแล้วใช่ไหมไม่ไม่ค่ะเวลาทําตาเนี่ยเราไม่สามารถปล่อยจิตออกไปข้างนอกได้เพราะหมอจะอต้องบอกให้เราจ้องที่แสงอืต้องซ้ายจ้องล่างจ้องคือมันปล่อยไม่ได้ปล่อยได้อย่างเดียวก็คือว่าอืมจ้องก็จ้องไปแต่ว่าเจ็บมัน มันก็มีเสียงนู้นนี่นี่นะธรรมดานะคะเพใช้เลเซอร์เหรอไม่ไงคงหันก็มีน้ําอะไรเยอะๆไปหมดตลอดหยดยาเยอะอะไรเงี้ยค่ะใช้เลเซอร์ใช้เลเซอร์ตัดแกวตาเก่าแล้วก็ดูดออกแล้วก็เอาอันใหม่ใส่เข้าไปแล้วตอกกระจกออกเวลาที่หมอใช้จริงๆแค่หกนาทีใช่ไหมนี่แต่ตอกกระจกก็ใช้เวลานะะ แต่ใส่เลนส์นะแป๊เดียวแต่ตอนนี้ไม่มีอาการเจ็บที่ตาเลยไม่ลนะตอนนี้ก็คืออย่าวังอย่าให้ติดเชโืโรคตัวที่ใส่แว่นดำเนี่ยเพราะว่าถ้าแสงแรงหรือเรากลัวฝุ่นเงี่ยนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยวันนี้ก็เปิดตาปุ๊บนี่บอกว่าไม่ต้องใส่แว่นหให้ให้ดูรีออนได้แต่ถ้าแสงจ้าเนี่ยไ ม, ไม่ควรไม่ควรเราก็เลยแบบนั่งอยู่เฉยๆก็ใส่แว่น ฝนเลยด้วยซึตามันมีอายุเยอะอาหรมันร่างกายแล้วก็อายุเยอะเลยระวั <8 S 2> ว น, นิดน่ค่ะโอเคก็ให้หายเป็นปก ต, ติด่วนวนะข อ, ะอบคุณครับไปที่คุณนิสาต่อไปที่เอาน้องกลับนมรัศกการค่ะพระอาจารย์ก็สำหรับลูกก็ มุ่นวายทางโลกนิดหน่อยค่ะพรอาจารย์ภายบ้านได้หรือยังก็ยังค่ะพรอาจารย์น่าจะน่าจะได้ภายในเร็วๆเนี้ยค่ะพรอาจารย์มีคนมาออฟเฟอร์แล้วค่ะอาจารย์ก็เขามีการต่อรองกันหรือเปล่าของมูลนี้มีค่ะก็คือเขาก็สู้ราคากันนะค่ะอ่าแล้วไม่ต้องทำมั้ยมีมี เอเจนต์เขาทำให้ใช่ไหมค่ะเอเจนต์เขาจัดการค่ะพระอาจารย์จากเขาก็คงต้องรวบรวมมาคุยกับเราว่าเราพอใจราคาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คื อ, อคือโอเพนเฮาส์น่าจะไม่มีแล้วคือจบ<ม>แล้วถ้าเกิดเขาน่าจะสรุปอาทิตย์นี้่ค่ะก็คืออาจจะมีปะปายมาแบบขอดูแบบนอกเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มี offer เราเสนอมาราอยู่แล้ว ค่ะก็เห็นเขาบอกว่าประมาณสี่ออฟเฟอร์แต่ลูกพ่ไม่แน่ใจเพราะบางทีก็ต้องรอดูให้มันคอนเฟิร์มแน่นอนภายในอาทิตย์นี้ค่ะว่าว่าจะยังไงอะค่ะอาจารย์อืมก็ดีอย่างน้อยก็มีชอบทานที่จะขายได้นะค่ะค่ะค่ะค่ะอาจารย์คิดว่าขายได้ค่ะอาจารย์โที่เราพอใจราคาไหนได้นะค่ะอาจารย์ว่าอยู่ว่าเราเลือกราคาไหนอะไรบางที เราก็ต้องดูแบบแบ็คคือดูเคดูดูโปรไฟล์เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เอเจนต์เขาจะช่วยสแกนให้อ่ะว่าควรจะเอเลือกคนไหนอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็ต้องผ่านธนาคารไม่ใช่มาซื้อขายใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็ทางทางทางเอเจนต์ฝ่ายซื้อเขาคงจัดการแบบคนที่มาดูต้องมีพร a แอพพูฟมาก่อนนะคะอาจารย์อก็เป็นเป็นเรื่องของเขาก็ายได้เร็ว าขายจะม<ข>ีที่ไหนนะขายก็ต้องไปเช่าบ้านอยู่เลยค่ะก็คงก็คงหาหาเช่าสักประมาณเดือนหนึ่งลูกก็ต้องเคลียร์แบบเคลียร์บริษัทอะไรเงี้ยค่ะผู้จัดการเรอกสารก็แล้วก็อาจจะสักเดือนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับเมืองไทย อ, <ค>อีกไม่เอาแล้วไม่ไม่ไปซื้อบ้านใหม่อยู่อีไม่เอาแล้วเพราะเขา อุ่นวายค่ะทีนี้แล้วก็ยิ่งตอนนี้อเมริกาเขาไม่ค่อยยินดีต้อนรับพวกเราเท่าไหร่นะใช่ค่ะพรอาจารย์ถ้งซื้อฟ้านใหม่ผมไม่อยู่แอลเอ่ะจังมันซื้อมันแพงมันค่าลิฟวิ่งค่าอยู่แพงมันไม่คุ้มค่านะไม่คุ้มค่าค่ะพอาจารย์ก็เลยไปอยู่แถวถวป่าเขาเนี่ยอยู่แถวโคโลราโดเลยอ๋อไม่เอาหนาววนนี้ไปอยู่ก็อาจจะแบบ เท็กซัสอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจค่ะอ<ข>าจ<ข>ารย์แต่ว่าไม่เอาค่ะอ า, าจารย์อยากกลับไปเมืองไทยแล้วค่ะอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเราดีก่านะอยู่บ้านเราดีกว่าค่ะอ า, าจารย์อืก็ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะอ า, าจารย์แต่ว่าเอก็ให้ขายบ้านไม่ได้ก่อนแร้ค่อยว่ากันก็กลับไปอยู่เมืองไทยก่อนค่ะอ า, าจารย์คุณสุภัสตากลับมาแล้วเมื่อกลอนก็อยู่เท็กซัสหรือยังคะค่ะอาจารย์ อยู่เมืองไทยดีกว่าค่ะพระอาจารย์ที่นี่แบบอยู่แล้วมันแพงค่ะพระอาจารย์แล้วก็ถ้าไม่ทําอะไรเลยอย่างลูกๆไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากจะทำอะไ ร, ไะไรแล้วคือถ้าอยู่มันก็ค่าใช้ใจ่ายมันสูงค่ะอาจารย์กลับไปอยู่<ด>บ้านเราดีกว่าสบายกว่าค่ะพระอาจารย์ทีนี้ก็ต้องไปเมืองไทยก็ว่ากันอีกทีจะอยู่ตรงไหนดีค่ <laughs> ะค่ะอาจารย์เค okay. ก็เลยก็เลยช่วงนี้ก็จะวุ่นๆค่ะพระอาจารย์ก็จะนั่งสมาธิได้ช่วงเช้าค่ะเพราะช่วงกลางวันก็เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่อะไรเงี้ยค่ะช่วงเย็นก็เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่อ้ยหลายอย่างค่ะพระอาจารย์อทีวิตช่องคาราว่าก็อย่างเงี้ยวันวุ่นวายหนอหรือเตือนอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันไม่มีวันจบสิ้นเหลอเกินอืมอืม งานทั้งเลาทํามาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันสิ้นสุดจริงค่ะพรอาจารย์นี่รู้ว่าลูกแบบจบเร็วนะคือหมายถึงว่าแบบเลิกแบบดีทายเร็วไม่ทํางานเร็วนี่ยังรู้สึกว่ามันมันยังดูวุ่นวายเลยอะคะ่ะพรอาจารย์ก็ต้องถือว่าเป็นธรรมดาของเราทั้งวุ่นวายไม่มีวันจบสิ้นใช่ไหมคะาพรอาจารย์ค่ะทำไปทางทำแล้วมันก็จะมีวันสิ้นสุด คะ่ะลูกก็หวังทางนั้นนะคะอาจารย์อยากจะแบบไปให้มันถึงที่สุดคะ่ะพระอาจารย์อโอเคเลยหมดปั๊บอ่ามันก็สุดตัวตัวที่เป็นปัญหาก็คือกิเลสของเราเนี่ ท, ที่ทําให้เป็นปจริงคะ่ะพอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ก็คิดหนาคือแบบมันก็มีแต่เรื่องคิดข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงเราจะไปอยู่เมืองไทยอะไรก็แบบรู้สึกแบบกลับก็กลับมาหาตัวเองว่าแบบเออเรา เราคิดมากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับปัจจุบันดีกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างเงี้ยค่ะจทําให้ดีที่สุดอทีละขั้นอย่าพอยอย่าไปคิดการเงินไปค่ะพระอาจารย์โอเคหวังว่าทุกอย่างทุกอย่างดำเนินไปค่ะสาวทุกค่ะพระอาจารย์จะได้เจอค่ะอาจารย์ค่ะสาวทุกค่ะอุนจันนีแบงค์เข้าอนจนนีไม่ไปไหนแล้วอยู่กรุงเทพ อยากย้ายอยากกงเทพมนดีอขอคุอาจารย์ะอาจารย์อยากอยู่ค่ะอยากย้ายไปอยู่ใกล้ๆพระอาจารย์ค่ะ <laughs> จะได้ไปขึ้นเขาทุกสัปดาห์เลยค่ะพระอาจารย์ <laughs> <อ> <laughs> แต่ก็น่าจะอยู่ที่นี่ยาวอ่ะค่ะเพราะว่าทำงานทำงานอยู่ที่นี่รออาจจะต้องรอเกษียณเหมือน <laughs> อกัน ครัาจารย์หรือว่าเอ่อถ้าอนาคตก็ไม่แน่นอนนะคะแต่ก็ถ้าถ้ามีทางก็อยากจะอยากจะปฏิบัติทำเต็มร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนกั น, นะคะ่ะแต่ก็ต้องดูไปก่อนอันนี้ก็พยายามฝึกฝึกไปก่อนฝึกถือศี 8, ลแปดฝึกปฏิบัติเบื้องต้นไปก่อ น, นะคะ่ะตามที่อาจารย์สั่งสอ น, นะคะ่ะ แล้วก็เพิ่มให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ก็ยังวุ่นวายกับงานทั้งโลกเหมือนเดิมค่ะก็ยังไม่ได้เพิ่มเลยค่ะแต่ว่าเนี่ยอันนี้จัดจัดส่วนข้างบ้านอะไรเสร็จแล้วก็งานทั้งโลกก็เบาลงแล้วก็จะไปเพิ่มงานทางธรรมให้มากขึ้นค่ะดีมีโอกาสก็ไปเป็นวิเวกบ้างนะค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะาสาธุ คุณมาริการะที่วา่าการมั่อมากกันเจ้าพระอาจารย์ก็ปิดบก็มีปัญหาบ้างนิดนิดน้อยแต่ว่าก็พยายามที่จะน้อมนำคำสอน น, นัหนของพระอาจารย์นั้นมาแก้ปัญหาเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ในเรื่องต่างๆที่ลูกเจอก็มันก็คลี่คลายไป ในในระดับหนึ่งกับพระอาจารย์วันนี้ลไม่มีคำถามใโอเคถ้า okay. ดูคนคันจิตไต้หวันนอมก <Hey. S 1> ราบน้วสักการครับพระอาจารย์ อ, อันนี้ไต้หวันเต็มตัวรับสงคราไมไหมอย่างนี้ ไม่มีครับมีแต่อากาศเริ่มร้อนแล้วก็ฝนตกครับราจนอือ์เห็นซ้อมรุ่มอยู่เรอะแยๆเลยช่วงนี้เอฟก็ได้ได้ยินเสียงอยู่นะครับได้ยินเสียงเขาซ้อมซ้อมอยู่ครับแล้วช่วงนี้รูสรึกเป็นช่วงที่นอกจากมีคนอยากจะากทำสงครามกัยขนาดมุง่งไทยก็ยังมีขมแย่นี่ ยิ่งยิ่งผมได้ยินข่าวสงครามยิ่งเร่งปฏิบัติกับประจันยิ่งยิ่ ง, งเล่งยิ่งเร่งหาความสงบครับรู้สึกสงครามมันจะมากขึ้นมากขึ้นทั้งวันนี้มันก็เป็นยังไงขาดความเมตตากนันความโลภมากขึ้นความอยากมากขึ้ น, มมนผมว่าไม่มีมันเขาไม่มีศีลห้านะครับก็เลยไม่รู้จักการฆ่าอไม่มีความเมตตาต่อกัน ครับคิดแต่ยาผลประโยชน์ใส่ตัวเองนะครับก็แล้วก็ก็เตรียตัวไว้ก็แล้วกันนะเผื่ต้องโอบอพยพจะได้ <c oughs> จะได้กลับบ้านได้ครับเขามีแจ้งมาอยู่ครับว่าให้บอกทางว่าลุ่มหลบภัยอยู่ตรงไหนตรงไหนครับเนี่ย ค, คนท้ายดีไปทํางานต่างประเทศตอนนี้ก็ต้องกลับบ้านหลหลายประเทศด้วยกัน โอเคมีอะไรไหมไม่ครับกลาวเข้ามากลาบพระอาจารย์ครับอย่าอย่าประมาทนะต้องมองมองไกลๆหน่อยเตรียมตัวไว้ก่อนมีอะไรฉุกเฉินจะได้จะได้ทาได้ถ้าไม่เตรียมตัวไว้ก่อนพอถึงเวลาเราจะงงนะครับผมเตรียมตัวเตรียมตัวตลอดเวลาวีซ่าอะไรเอาไว้ในกระเป๋าอยู่พร้อมไปสนามบินได้เลยครับโอเคครับ ข้าพระอาจารย์นาดกันแค่ไหนครับผมได้ทราบสิสคุณยินดีได้มีทราเไียบร้อยแล้วเยิยบเลยแล้วค่ะอาจารย์อันนี้กลับมาเังไม่กลับเลยค่ะยังค่ะเดี๋ยวเอวันที่สี่เดือนหน้าค่ะ ก, กลับค่ะตอนนี้เด็กเราก็ไปทํางานที่สํานักงานใหญ่ะ ค, ะค่ะอยู่ค่ะอยู่ไกลไหมจากว่า ก็ขับรถประมาณสองชั่วโมงครึ่งเลยค่ะถึงขับไปด้วยวันขับรถไปทั้งวันแล้าไปเข้าไปพักอยู่ที่น่นเขาไปอยู่ที่นู่นค่ะอาทิตย์นึ่งค่ะค่ะนั่งรถไฟไปแล้วก็แล้วเดี๋ยวก็วันวันพุ้นหน้าค่ะกลับค่ะท่านอาจารย์เขาก็ลน์มาบอกว่าอย่าลืมฝากกลับท่านอาจารย์ด้วยเหมือนเดิมนะบอสท่านอาจารย์นะฝากขอบขอบคุณเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะท่านอาจารย์เขาก็ฝากระลึกถึงท่านอาจารย์นะคะ พอดีกับวิญญาณที่เขาระลึกถึงท่านอาจารย์เสมอค่ะท่าอาจารย์ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะท่านอาจารย์่ะปฏิบัตินี้ท่านอาจารย์ค่ะแต่แบบเวลาเราแบบอย่างในกรณีที่อย่างในกรณีของวันพระใช่ไหมคะก็คือว่าเราจะไม่ทานข้าวกันแต่ถ้าเกิดเหลืล่อถ้าเหลืเป็นมันจะมีปัญหาอะไรก็ก็<ม>แล้วแต่ว่าเราอยากจะเงแรขนาดไหน โอเคค่ะถ้าเข่งก็ไม่กินเหมือนถ้ามันเลยเวลาก็ไม่กินมันแต่ถ้าไม่เข่งก็คิดว่ามันมีเหตุจําเป็นมันต้องช้าหน่อยอก็ <Okay. S 1> ก็ได้มันนี่ที่คำเข่งขาดของเราค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณท่านจอาจารย์สูงค่ะท่านาจารโอเคไปที่คุณแอ น, นต่อยังอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่เลยครับนักมาตการเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะหลวงพ่ออีกประมาณเดือนกว่าๆเจ้าค่ะอืม เปไ็นไงนะหนูว่าตั้งแต่อยู่วันจนทำงบานนี้รู้สึกยังไงบ้างดีไหมดีเจ้าค่ะแต่ก็รู้ตัวเองว่ายังยังขาดวินัยเจ้าค่ะยังยังไม่มีไม่มีระเบียบในการจัดการมันว่างก็จริงนะเจ้าค่ะหนูหนูมานั่งคิดดูจริงจริงไม่มีงานทําแล้วก็ไม่ได้มีอะไรต้องต้องเป็นห่วงมากมายแต่ก็แต่ว่าทําไมเรายังปฏิบัติไม่ได้ก็สุดท้ายมันก็ เป็นตัวเราเองอะค่ะยังยังคิดนู่นคิดนี่หาเรื่องให้มันให้มันแพ้กิเลสไปวันวันหนึ่งอะค่ะยังดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ั้นเจ้าค่ะจริงๆมันควรจะแบบมีเวลามาปฏิบัติแต่ว่าก็ยังยังยังอยู่กับทางโลกอยู่เจ้าค่ะเดินกินเรื่องนั้นนี้เไม่ได้เอาจเอาใจอะไรแบบนั้ใจเจ้าค่ะยังยังเหมือนยังชลาดใจอยู่ แต่ก็แต่ว่าข้อดีตั้งแต่มาอยู่ที่นี่คือหนูหนูนั่งสมาธิทุกวันนะจ๊ะคะแต่ว่าจะแค่แบบวันนึงหรืออะไรเงี้ยที่ที่บอกหลวงพ่ออาทิตย์ที่แล้วก็สองอาทิตย์นี้สองอาทิตย์ที่ผ่านที่ที่แล้วค่ะก็ไม่ได้นั่งแค่ประมาณสองสาวันอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาก็ไม่ได้นั่งแค่วันเดียวก็คือได้ได้นั่งปฏิบัตินั่งสมาธิทุกวันเจ้าค่ะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ก็ก็ได้นั่งทุกวันเจ้าค่ะ พยายามค่ะแล้วก็ก็เห็นว่ามีพัฒนาการนะคะถึงว่ามันจะไม่ได้เยอะแต่เราก็ก็รู้ตัวว่าว่าช่วงที่ที่เราสามารถอาจจะนานกว่างูแลบงูแลบรบบินิดนึงแต่ก็ถือว่าดีใจที่ว่าอนั่งแล้วมันได้เห็นเห็นความสงบเล็ ก, ลกๆอย่างนี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ก็ใช้เวลานา น, านเจ้าค่ะนั่งที<อ>เป็นถ้าจะให้ถึงวันวั น, วนที่จะได้ได้ ได้เห็นความสงบนี่มันใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเจ้าค่ะแรกกับการที่ได้ได้เขาเรียกอะไรได้เห็นความสงบนิดหนึ่งแต่ก็ดีใจเจ้าค่ะก็ไม่ท้อก็เหมือนคนเป็นเขาเอเวอร์เรเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะถึงยอดเขาค่ะมันมันตัดเดียวจริงเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูหนูรู้ตัวว่ามันมันมันยังเป็นแค่แบบเข้าไปสัมผัสแล้วก็ออกมาแต่ว่าแค่ได้แค่ได้ไดูตรงนั้นก็รู้แล้วว่าเอ้ย มันน่าจะมาถูกทางแล้วแหละก็ก็เลยไม่ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะพยายามนั่งทุกวันถึงแม้ว่าวันไหนจะนั่งแล้วแล้วมันมันมันไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่เกิดประโยชน์เขาเรียกอะไรคะนั่งแล้วไม่เห็นผลก็ก็ต้องนั่งอ่ะเจ้าค่ะใช่เพราะามันมันเกิดจากเหตุของเราเองถ้ า, ถาสติดีมันก็ได้ผลถ้าสติไม่ดีมันก็จะไม่ได้ผลค่ะแต่ใช้เวลานา น, านมากเจ้าค่ะหลวงพ่อนั่งนั่งของหนูนี่ หนูเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะกว่าจะจับจับความสงบได้เนี่ยค่ะอืมก็น่าก็ต้องทําไปเรื่อยๆ้วต่อไปมันก็จะชํานาญมากขึ้นไปอสงบได้บ่อยขึ้นมากขึ้นประสบการณ์่แต่ก็ถือว่าดีดีขึ้นนะจ๊ะค่ะหลวงพ่อหนูรู้สึกว่าถึงต่อถึ ง, ถงมันอย่างที่ว่าได้นั่งที่หลวงพ่อบอกอะค่ะว่าถ้าเราได้ได้หัดนั่งทุกวันมันก็เหมือนจะอ่า มีความมีความเคยชินมากขึ้นอ่ามันจะติดเป็นนิสัยไปแต่เวลามันก็อยากจะนั่งขึ้นมาสิ่งที่ว่าเหมือนต้องบังคับนะคะว่าคือแบบเออไม่มีเวลาเลยมีมีข้ออ้างอยางเงี้ยค่ะง่วงเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้นั่งแต่พอพอพอว่าไม่ได้ทํางานแล้วมานั่งนั่งทุกวันทุกวันมันก็เลยเหมือนเป็นความเคยชินว่าอ้าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก่อนนอนเราก็นั่งเพราะเราไม่ต้องรีบเร่งว่าเดี๋ยวต้องรีบตื่นหรือไปไหนองเงี้ยเจ้าค่ะ อ, อย่างนี้เดี๋ยวพอพอ ฟังหลวงพ่อเสร็จใช่ไหมเจ้าค่ะถึงถึงแม้ว่าตอนนี้มันก็จะเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ก็นั่งได้เพราะเราไม่ต้องมีภาระว่าเดี๋ยวนี้เราต้องรีบตื่นไปไหนอย่าเงี้ยค่ะอืก็ดีแล้วค่ะนั่งไปอะไรก็นั่งไปเลยค่ะแต่หนูชอบนั่งตอนเวลาเนี้ยค่ะนั่งกลางคืนเพราะเป็นคนใจบง่ายกว่าค่ะตื่นเช้าตื่นเป็นคนยังตื่นเช้าไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้ากลางคืนเนี้ยดูดึกดึกเงี้ยนั่งได้นั่งได้เจ้าค่ะ รู้สึกมันเงียบค่ะก็พยายามอยู่เจ้าค่ะหลวงพ่อหวังว่าจะจะได้นั่งรับเห็นผลแบบจริงๆจะพยายามไปเรื่อยค่ะทำให้มากผลมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะค่ะมีอะไรไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อเข้ามาฟังเจ้าค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะจะพยายามปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะ ปฏิสกุล น, นครคุณนอภิสิทธ์ย้ายที่ไม่ยังเรื่องรยยาอยู่ที่เดิมการนมัสการพระอาจารย์ครับย้ำอยู่ที่เดิมครับพระอาจารย์อืไม่เคยไปไหนเลยนะผมออเรื่องไฟนะไปอยู่เรื่อยนะครับอาจารย์แต่ว่าพักก็พักทีเดิมครับผมไปผมแต่งนักเดินครับเป็นนักเดินทางครับอาจารย์กันช้นอกินอยู่เรื่อย ไปเที่ยวไปทำงานไปทํางานพ่อาจารย์ไปทํางานครับอืต้องเดินทางอยู่ด้ว่อยครับทุกวันทุกวันต้องเดินทางทุกวันะอืแไปกลับมานอนที่บ้านก็มเอองืีก็ไม่ได้เข้ามานานครับก็ทําอยู่ทุกวันว่ออาจารย์ไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดปฏิบัติอยู่ทุกวันเพราะมันต้องทําอย่างต่อเนื่องตันนี้อืก็ทําทําอยู่ทุกวันครับดีทําไปเรื่อยเราว่า ครับครับทำอยู่ทุกวันครับอาจารย์ไม่ได้ขาดเลยแล้วก็มาพิจารณาเรื่องอะไรนะที่อาจารย์แนะนําลูกศิษย์ลูกหาให้ใช้ปัญญาในการเอตัดอารมณ์ที่จะเข้ามาประทะนะครับอาจารย์บอคิดดูทีแรผมครับเรื่องเออ่บางทีอย่างสมมุติว่ามีคนมินทาเราอย่างเงี้ยเราก็เราก็คิดว่าเออเราไปไปไปห้ามเขาไม่ได้อย่างเงี้ยกันแล้วไปมันก็ตัดอารมณ์เหล่านั้นมากวนใจเราได้ อทีแรกผมก็ผมก็มีความคิดขัดแย้งกับอาจารย์อยู่นะว่าคิดค่นี้มันจะตัดได้เลยจริงๆมันตัดได้มันมันค่อควรดูดีๆอ๋อมันตัดได้อย่างที่อาจารย์ว่าแต่มันอาจจะไม่ถึงขั้นอุเบกขาลงไปเนี่ยอืมมันมันไม่เหมือนกับอตัวกที่เขาได้อใจทั้งมัน่นหรือตัวติดเขารวมลงแล้วเนี่ย เ, เขาอาจาจะอุเบกได<ะ>้เต็มที่ตัดได้เก็ฑที่เขาจะอุเบกขาลงสังเกตดูพวกนี้เขาจะยิ้มมุมปากนั่นแสดงว่าเขา ตัดอารมณ์เหล่านั้นไปแล้ว<ร>อแลย่งางสมมติว่ามีใช่ถ้ากําลังเขาตั้งมั่นแล้วเขาจัดการได้พวกเนี้ยเรื่องพวกนี้เข้ามากวนใจเขาไม่ได้เขาจะไม่ให้จิตเ้าสง่ง เ, เรียกได้ว่าเป๋ออกไปจากฐานนั่นแหละหรืจะส่งออกไปจุงแต่งนั่นแห ล, ละเขาจะดึงเข้ามาันะพี่ไปตัดอารมณ์พวกนี้ที่ไปพวกนี้มันมันไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันตัดความกังวลใจได้เลโอ้โอาจารย์ถ้าถาอาจารย์ท่านพูดถูกแล้วนี่เราไปคัดคานว่าอาจารย์อะไรประมาณเนี้นะต้องไปศึก ด, ดู ขอบคุณคุณอาจารย์ครับขอบคุณขอบคุณคุณอาจารย์มากครับอ่คุณฟังเมื่อไหร่อสีราชายังไงอยู่กอดสีช้างหรือเปล่าที่บ้านอยู่ที่บ้านค่ะสีช้งตอนแรกก็จะไปวันนี้แต่ว่าไม่ได้ไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว V P อ่าลิจิโนเขาจะมาก็เลยไม่ไม่เป็นรบกวนค่ะ ก็ล mm ูกสาวกลับมาแล้วนะคะพระอาจารย์ก็ก <sk> ลับมาด้วยความปลอดภัยก็กลับมาถึงปุ๊บก็เหมือนกับเขาเขาประกาศสงครามกันพอดีก็ก็โชคดีไปหนูก็ตัดความกังวลเพราะความฟุ้งซ่านหนูก็ยังยังยังยังพยายามตัดอยู่ค่ะยังยังตัดไปรักไม่ไม่เด็ดขาดก็ยังใช้ความพยายามอยู่เจ้าค่ะยังไม่ยอมหยุเย็นนะใช่ค่ะเพราะว่าความความรักที่เรื่องนี้มันมัน ม, ม, มันตัดยากจร<อ><อ>ิงๆนะใช่เลยค่ะความรักที่ที่เราผูกพันเหมือนไม่ค่ะไม่ไม่เหมือนพระพุทธเจ้านะคะตัดได้เด็ดขาดเลยอืมค่ก็เพราะมีอัปปนาสมาธินะท่านมีอุเบกขาเนอะอ๋อตอนแรกหนูก็นึกว่าไอ้เรื่องเรื่องงานเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่ยากทําไปทํามามันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องใกล้ตัวเราหมดเลยอือันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอืม ต่อจน้องจะเป็นร่างกายเราก็อาจจะสําคัญเหมือนกันถ้าเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมานี้มันก็ไปดูทเวยดตันได้ไหมวันนี้วันนี้แฟนหนูเข า, ขาบอกว่าเขาเขาเหมือนว่าจะเป็นเป็นโรคไตเหมือนนิ่วในไตอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็สังเกตเขาก็คือใช้ความนิ่งๆสังเกตเขาเขาก็ปกติเราก็พยายาม mm. ก็เรียนมาพร้อมๆกันนะคะเรียนมาใ ไ, ไล้กัน ต่างกันที่ว่าใช้ใช้สมาธิยังไงคนที่บ้านเขาไม่เหมือนจะมาจัตีิเขาก็เอใช้สมาธิกันยากแต่ก็ก็พยายามใช้สติกับสมาธิควบคู่คไปด้กันอืม hmm. ก็ยังทําเหมือนเดิมแล้วเจ้าค่ะยังยังยึดคําสอนพระอาจารย์อยู่เหมือนเดิมค่ะโอเคพยายามใช้สามโยให้มากที่สุดท่านที่จะมากได้นะค่ะน้อมรับแล้วค่ะพระอาจารย์ ่ใบทีไไ่คุณหมอสุทัศนีปฐุมธานีเป็นยังไงปนเป็กนกี่นาฬิกาเมื่อมานเนี่ยอ่าปกติจะช่วงนี้จะปิดหกโมงเย็นค่ะหคโมงแล้วปปเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงเปิดสิบโมงเจ้าค่ะทำคนเดียวเลยเป็นทางานคนเดียวได้เจ้าค่ะอื ม, มีผู้ช่วยมีผู้ช่วยสัตวแพทย์สามคนเจ้าค่ะอืม เป็นลูกค้าเยอะวันวันเยอะนะเยอะมากเจ้าค่ะอืแต่ก็พยายามควบคุมเวลาเจ้าค่ะพระอาจารย์อืไปต์ไปตามเวลาไปตามเวลาค่ะแต่ว่าบางทีถ้าเคสเยอะมากๆจริงๆการตรวจมันจะเหลืออกไปเจ้าค่ะเพราะว่าแต่ละเคสความยากง่ายแล้วก็เวลาในการรักษาแตกต่างกันเจ้าค่ะอืมก็มต้องมีที่พักรักษาด้วยมีที่พักให้ อ๋อลูกตัดไปเลยเจ้าค่ะเพราะว่าตัดความกังวลลูกเปิดเป็นสถานพยาบาลแต่ไม่มีสัตว์ป่วยพักั้างคืนเจ้าค่ะโอเคก็ดีอย่างใช่เจ้าค่ะถ้าอยู่ด้วยก็ต้องคอยดูแลเล้ยดูเ็าอีกใช่เจ้าค่ะแล้วมีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่เรารับเนือนรับหมดก็หลายอย่างเจ้าค่ะสุนัขแมวกระต่ายเต่ามีหลายอย่างเจ้าค่ะพระเจ้ามูก็ดีเจย มีสักพักก็ดีได้ได้แผ่เมตตาไปด้วยในตัวเจ้าค่ะมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์อแล้วก็ดูแลใจาเราด้วยนะดูแลทุกวันเจ้าค่ะ อ, อ, อย่าให้ไเครียดจากอะไรนะไม่เครียดเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ออพอถึงเวลาอ่าเสร็จจากงานลูกก็ปล่อยเลยเจ้าค่ะ อ, อ่ดี ดีมากสาธขอบพระคุณเจ้าค่ ะ, ะไปที่น้องเองต่ อ, อวันนี้หัวเราเรื่องอะไรเลยก่อนธัรสการ์คะ่ะสนุกกับที่พระอาจารย์คุยกับทุกคนเลยค่ะ <Yeah. S 2> วันนี้ก็จะมาบอกกับพระอาจารย์ว่าก็ตั้งแต่เริ่มแบบไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสร้างข้อวัดให้เหมือนวัดก็คือตื่นตีสี่ครึง่ง แล้วก็ทำวัดเช้ า, เ, าเดินจงกรมอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้พระอาจารย์พูดถึงคำว่าแบบรู้ปังอันาตามันก็เป็นแบบบทบทสวดมนต์ทำวัดเช้าที่ทำให้เอิงได้รละลึกทุกวันแบบว่าเราถูกครอบงมโดยความเกิด อ, อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอืมนี่ค่ะชีวิตคาลาวัฒน์นี่จะอยู่กับเอิงกี่ปีมาวันนี้ค่ะ มันน้อยที่สุดให้มันสั้นที่สุดอ่าแล้วก็แล้วก็วันนี้ที่พี่พี่พูดถึงเรื่องกายวิเวก ค, ค่ะไปอยู่ในที่วิเวกก็รู้สึกว่าแบบเห็นด้วยอแล้วก็อยากถามเอต้องพระอาจารย์ก็ยืนยันใช่ไหมคะว่าแบบการที่อยู่ที่วิเวกมันมีผลในการปฏิบัติจริงจริงก็มีส่วนช่วยแต่ถ้าวิเวกแล้วท่านใจาไม่มีสติมันก็มันก็ไม่วิเวกมันก็ฟุ้งซ่านได้ เพราะว่าตอนที่ไปอยู่ที่วิเว้มันก็จะสงบได้ง่ายก่อนอยู่ในที่ที่ไม่ไม่วิเว้ตอนที่เอิง อ, อ่ะรู้สึกว่าแบบที่วิเ อ, อิงอ่ะคิดถึงคี่วิเว้ค่ะเพราะว่าตอนที่ไปอยู่อ่ะเ อ, อิงรู้สึกว่าเ อ, อได้เห็นแบบความเชั่วของตัวเองได้เห็นกิเลสของตัวเองชัดมากค่ะว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่ว่าความคิดเนี่ยมันคิดไปได้ไกลถึงขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าเราไม่มีสติมันก็คิดไปได้เปื่อย ค่ะคอาจารย์ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะว่าก็ประมาณนี้ค่ะค<อ>ก็ยังทวบคุมกาคิดนะคอยควบคุมการคิดอย่าให้มันคิดถ้าจะคิดจะคิดแต่เรื่องธรรมะค่ะค่ะอาจารย์วันนี้ก็ได้ฟังธรรมนักุติแล้วก็นั่งสมาธิพร้อมพอาจารย์ด้วยค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้ไปดีไหมสงบไหมค่ะสงบดีนะ ค่ะอ า, าจารย์โอเคยังไปที่คุณปูเป้ต่อปูเป้ไปยังเสียงยังไม่เปิดอ้าเปิดนะกลับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ได<ะ>้ยินหนูไหมจ๊อได้ยินจ้ะท่นะานพูดได้เลยครับเจ้จาค่ะพระอาจารย์ของหนูก็ลุยเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าหนูมันเจอของอีกพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์อืมค่ะเกี่ยว ก, กับ อทำมาอกสนแล้วก็ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าร่างกายหนูมีปัญหาแล้วปัจจุบันก็ยังรู้ทํางานได้โดยใจนะคะพระอาจารย์เพื่อทําทํางานชั่วใหญ่ก็เพื่อมันเลี้ยดูร่างกายเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้ามันเลีดไ่ได้ก็หยุดไปปล่อยให้มันตายไปมันก็จบแล้วไม่มีร่างกายนี้เราก็สบายไม่ต้องแย่ๆนะใช่ไหม ไม่ต้ไปทํา ง, งานหาเงินหาทางหากินหาอยู่ที่วุ่นวายทังวันนี้ก็เพื่อร่างกายนี้ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะพระอาจารย์ตอนแรกก็แบบกอาหารห้ามูือะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเกี่ยวกับร่างกายพ อ, อเจ็บปวดร่างกายเจ็บป่วยเนี่ยแหละคะ่ะพระอาจารย์จึงได้เห็นปลูกของดีจากพระธรรมตรงนี้นะคะ่ะตรงใจพอหนูมาได้ฟังธรรมแล้วลุ้ปฏิบัติก็ได้เห็นของนี้นะคะพระอาจารย์ทําให้มี แรงมากเลยค่ะพระอาจารย์ในการทํางานค่ะพระอาจารย์แล้วแบบมันไม่ค่อยรู้สึกเจ็บปวดร่างกายค่ะพระอาจารย์แต่หนูต้องฟังธรรมกับนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ ใ, ใช้ร่างกายท่านใจมีความสุขเนี่ยมันกลบความทุกข์ของร่างกายได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เลยไม่ได้ทานยาแก้ปวดอะไรเลยส่วนใหญ่คนเห็นหนูผ่าสมองเยอะนึกว่าจะชักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูบอกว่า ไม่ค่อยมีอาการด้านชักก็เลยไม่ได้ค่อยได้ทานยาะ้าจารย์ก็เลยได้ฟังทำจากพระอาจารย์แล้วก็รีเข้าสมาธิคะ่ะอาจารย์นตอนแรกหนูผ้าจาย์ค่ะตอนแรกหนูตอนผ่าสมองหนูก็เข้าสมาธิหนูมั่นใจว่าหนูคงเป็นคนรู้ทำอะไรอย่าเงี้ยคะ่ะเป็นแบบได้ประสบการณ์จากการหนีความปวดในการเข้าสมาธิอะคะ่ะผ้าจารย์แต่จริงๆมันเหมือนหนูโดนหลอก บอกตัวเองนะคะพระอาจารย์พอได้มาฟังธรรมจากพระอาจารย์แล้วรุยปฏิบัติใหม่ก็เลยเอาร่างกายตอนผามุ่งปากเนี่ยนะคะว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ลองไม่หนีดูจะปวดไหมอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยได้เห็นของจริงโอของพระอาจารย์ของจริงนะคะพระอาจารย์รรย mm hmm. ก็เลยได้รู้เลยค่ะพระอาจารย์ดสบายและตอนนี้ใจสบายกายยเป็นยังไงโอใจสบายทํางานหนักก็ไม่คิดว่าหนัก เอาแต่คะแนนบุญเก็บคะแนนบุญถวายปัจจัยสี่จากประชาชนที่มาทาบุญโรงพยาบาลสงฆ์ค่ะพระอาจารย์ก็ถวายพระอาภัตเองนยคะที่ท่านมาโภระอ้าวเงค่ะพระอาจารย์ก็ทำทำอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์นะโรงพยาบาลสงฆ์กทมพระอาจารย์ที่ที่เสี่สี่สี่สน่สี่สี่สี่สี่สี่สี่ยี่สี่สี่สี่สี่คี่สีถสี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่ี่สี่สี่สี มีพระมาจากต่างจังหวัดเยอะเลยค่ะพระอาจารย์อยู่ใกล้พระด้วยใช่ค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยหนหนูแค่ตกใจคุยบาอาจารย์นะคะพระอาจารย์ตรงที่ว่าตอนท่านมรณภาพอะคะ่ะท่านไปแบบนิ่งๆไม่ทุรนทุรายอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อืมแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าอะไรค่แต่หนูชอบเขาไปดูพระอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะอืม พอ <Okay. S 2> หนูเห็นปัจจัยสีเขามาถวายพระอาจารย์หนูก็เลยนำของที่เขาถวายถวายพระอาพาตต่อเลยค่ะพระอาจารย์อมก็เลยเป็นคะแนนบุญเลยค่ะพระอาจารย์อ่าถูกอ่าถูกค่ะพระอาจารย์โ okay. อเคเอาเท่นี้ก่อนนะอ่าคุณไปได้คุณลาต่อคุณลมีคําถามไหมอ่ากราบนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทาง facebook และ y o u ูทูบเจ้าค่ะ กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เวลาหนูมีปัญหาใจไม่สงบมีความทุกข์หนูจะกําหนดหยุดคิดใจก็จะว่างทุกข์ก็จะหายไปชั่วคราวแต่ใจหนูก็ถามตัวเองว่าหนูทําถูกหรือไม่หนูนี้ปัญหาเข้าไปอยู่ในความว่างไม่ยอมรับปัญหาหรือไม่ขอพระอาจารย์ช่วยแนะนะําค่ะก็เป็นวิธีระงับปัญหาไว้ชั่วคราวก่อน ถ้าอยากจะให้ปัญหาหายไปอย่างถาวรก็ต้องหาเหตุหาสาเหตุของปัญหาว่าคืออะไรอะไรที่ทําให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราวุ่นวายก็ถ้าใช้หลักอริยสัจ ส, สี่ที่พเจ้าทรงสอนก็มันก็คือตัณหาความอยากของเรานี่แหละเราต้องอยากกับอะไรทั้งอย่างนึงแ้่พอไม่ได้ตังใจอยากมันก็จะทําให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาถ้าเรายอมรับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเราทำอะไรไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่ทุกกับมันได้คําถามที่สองเมื่อกี้พระอาจารย์ได้ตอบไปแล้วค่ะขอไปคําถามที่สามจากคุณเกล์กราบน้ำรสการพระอาจารย์ค่ะขอถามพระอาจารย์ว่าจิตกับวิญญาณในขันห้าเหมือนกันไหมคะกราบขอบพระคุณค่ะ คือจิตนี้เป็นท่านรู้และวภายในท่านรู้นี้มีมีมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่ในท่านรู้อีกทีเป็นเป็นความสามารถของจิตท่านรู้นี้ว่าสามารถมีมีเวทนาในความรู้สึกมีสัญญามีความจําได้หมายรู้มีสังขารความคิดตุงแต่งแล้วก็มีวิญญาณที่สามารถ ติดต่อกับร่างกายนะ้เพื่อที่จะได้รับรูปเสียงจินตจากร่างกายมามาสู่ใจได้นี่คือหน้าที่ของวิญญาณเป็นตัวเชื่อมต่อใจกับจิตให้ให้ให้ให้ใ ห, ให้ให้สื่อสารกันได้มันโทศัพท์มือถือสองเครื่องเนี่ยต้องมีสัญญาณวิทยุใช่ไหเออันนี้ก็เหมือนกันวิญญาณนี่ก็เป็นเหมือนสัญญาณวิทยุของของจิตที่ไปเชื่อมกับร่างกาย เพื่อไปรับข้อมูลมาทัศจากตาหูจมูกนิ้วกายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ข, งของของของของจิตที่เราเรียกว่าธาตุรู้นี่นอกจากนอกจากมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีอีกอย่างนึงที่จิตมีที่ไม่มีึอะไรมีก็คือความสามารถที่จะรู้ที่พวกเรารู้อะไรกันได้อยู่ตอนนี้ก็คือความสามารถของจิตเรานี่ยร่างกายไม่ไมรู้เรื่องอะไรไม่รับรู้อะไร รู้ไม่ได้ไม่มีความสามารถที่จะรู้ดินน้ำลงไฟก็รับกังวลไม่ได้มีธาตรู้ธาตุนั้นที่ที่รู้ได้แล้วก็รู้ตลอดเวลารู้ตัวนี้มันไม่มันไม่ดับมันไม่ตื่นมันไม่เกิดไม่ดับมันรู้อยู่ตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงแต่แต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงหิ่งห้อยอโอเคเข้าใจนะใช่เจ้าแม คำถามหมแล้วนะโอเคก็ใกล้เวลาจะหมดพอดีสําหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรขอให้ท่านจงตั้งอขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด